คำพีวิสุทธิมาปริเฉทที่สิบสองอิทธิวิทนิเทศอภิญญากถาการเจริญสมาธินี้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วว่ามีอภิญญาเป็นอนิสงค์ด้วยอำนาจแห่งโลกียาอภิญญาเหล่าใดบัดนี้เพื่อจะทำอภิญญาเหล่านั้นให้สมบูรณ์เพราะเหตุที่โยคีบุคคล ผู้ที่ได้บรรลุจตุตถาชาในปฐวีกสินเป็นต้นแล้วควรทําความเพียรต่อไปด้วยว่าเมื่อโยคีบุคคลทําได้อย่างนั้นการเจริญสมาธินั้นของเธอก็จะได้รับอานิสงส์และเป็นภาวนาที่มั่นคงเธอผู้ประกอบด้วยการเจริญสมาธิที่ได้รับอานิสงส์และเป็นภาวนาที่มั่นคงก็จะทําการเจริญปัญญาให้สมบูรณ์ได้โดยง่ายแล เพราะฉะนั้นก่อนอื่นข้าพเจ้าจะเริ่มบรรยายถึงอภิญยากถาต่อไปก็เพื่อที่จะแสดงอานิสง์แห่งการเจริญสมาธิและเพื่อที่จะแสดงธรรมะอันประณีประณี ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปแกเหล่ากุลบุตรผู้ได้สมาธิในจตุทัชาแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสโลกิยะอภิญยาไว้ห้าประการคืออิทธิวิทะการแสดงฤทธิ์ได้ต่าง ทิพโสตาทาตุญานการรู้ดุดได้ยินด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพเจโตภริย า, ยานการรู้จักกำหนดใจผู้อื่นได้ปุเพนิวาสานุสติยานการรู้ในอันตามระลึกถึงชาติที่เคยอาศัยในการก่อนได้และสัตตานังจุดตูปปาฏายานการรู้ในการจุดติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายได้ โดยชี้แจงตัวอย่างไว้ว่าโยคียบุคคลนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตนุ่มนวลควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วย่อมนำจิตคือน้อมจิตไปเนริศมีประการต่างๆเธอย่อมได้บรรลุชนิดแห่งริษได้หลายอย่างคือแม้คนคนเดียวก็บรรดาลให้เป็นหลายคนได้ดังนี้ การฝึกฝนจิตโดยอาการสิบสีในโลกิยะอภิญญาห้าประการนั้นโยคียบุคคลผู้เริ่มบำเพ็ญต้องการจะแสดงฤทธิ์ให้ได้ต่างๆเป็นต้นว่าแม้คนคนเดียวก็บรรดาให้เป็นหลายคนได้ดังนี้พึงทำสมาบัติแปดแปดขนให้เกิดในกะสินแปดมีโอทาตะกะสินเป็นข้อสุดท้ายแล้วพึงฝึกฝนจิต โดยอาการ14เหล่านี้คือ 1. กสินานุโลมโตโดยเข้าฌานอนุโลมตามกสินสองกสินาปฏิโลมโตโดยเข้าฌานปฏิโลมลําดับกสินสากสินานุโลมปฏิโลมโตโดยเข้าฌานอนุโลมและปฏิโลมลําดับกสิน 4. ชานานุโลมโตโดยเข้าอนุโลมลำดับฌาน 5. ้าชาณปฏิโลมโตโดยเข้าปฏิโลมลำดับฌาน 6. ชาณานุโลมปฏิโลมโัโตโดยเข้าทั้งอนุโลมและปฏิโลมฌาน 7. ชานานุ ก, กันติกัตโตโดยลำดับกสินแต่ข้ามฌาน 8. กสินุ ก, กันติกาโตโดยลำดับชาญแต่ข้ามกสินเก้าชานะกสินุ ก, กันติกะโตโดยข้ามชาญและกะสินสิบอังคสังกันติกะโตโดยเลื่อนองชาญสิบเอารมณะสังกันติกะโตโดยเลื่อนอารมณ์สิสอง อังคารัมมะนะสังกันติกะโตโดยเลื่อนองค์ชาและอารมณ์ 13. อังควะวัฏฐานะโตโดยกำหนดองค์ชาและสบสอวารัมมะนะวัฏฐานะโตโดยกำหนดอารมณ์ถามว่าก็ในอาการสิบสี่อย่างเหล่านี้กัสสินานุโลม เข้าฌานอนุโลมตามลำดับกสินเป็นไนะจนถึงอารัมมณวะวัฏฐานะการกําหนดอารมณ์เป็นไนะตอบว่าภิกษุในพระธรรมวิัยนี้ย่อมเข้าฌานในปัทวีกระสินถัดจากนั้นไปก็เข้าฌานในอาโปกสินในกสินอีกแปดก็เข้าฌานตามลำดับอย่างนี้ได้ตั้งหนึ่งร้อยครั้งหนึ่งพันครั้งนี้ชื่อว่า กสินานุโลมคือเข้าฌานโดยอนุโลมกสินการเข้าฌานโดยปฏิโลมตั้งแต่โอทาตะกะสินอย่างนั้นนั่นแหละชื่อว่ากสินปฏติโลมคือการเข้าฌานปฏิโลมลำดับกสินการเข้าฌานบ่อยๆด้วยอำนาจอนุโลมและปฏติโลมลำดับกสินอย่างนี้คือ ตั้งแต่ปทัทวีกสินจนถึงโอทาตะกะสินตั้งแต่โอทาตะกะสินย้อนกลับจนถึงปทัทวีกสินชื่อว่ากสินานุโลมปาิโลมคือการเข้าฌานตามลำดับและย้อนลำดับกสินก็การเข้าฌานไปตามลำดับตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงเนวสัญญานาสัญญายาตนาฌานบ่อยๆชื่อว่า ชาณานุโลมคือการเข้าตามลำดับชาญการเข้าชาญบ่อยๆตั้งแต่เนวาสัญญาณสัญญายตนณชาญย้อนกลับมาถึงปฐมชาญชื่อว่าชาณปฏิโลมคือการเข้าย้อนลำดับชาญการเข้าชาญบ่อยๆด้วยอำนาจตามลำดับและย้อนลำดับชาญอย่างนี้ คือตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงเนวสัญญาณสัญญาญตนาฌานและตั้งแต่เนวสัญญานาสัญญาญตนาฌานย้อนกลับมาถึงปฐมฌานชื่อว่าชานานุโลมปฏิโลมคือการเข้าฌานตามลําดับและย้อนลําดับส่วนการเข้าฌานก้าวไปตามลําดับกสินแล้วข้ามฌานไปโดยที่เว้นฌานหนึ่งไว้ในระหว่างอย่างนี้ คือเข้าปฐมฌานในปัตตวีเกสินแล้วก็ข้ามไปเข้าตัติยฌานในปัตตวีกสินเลยทีเดียวเพิกตัติยฌานนั้นจากปัตตวีกสินนั้นแล้วจึงเข้าอากาสานัญจายตนะฌานเพิกจากอากาสานัญจายตนะฌานนั้นแล้วก็ข้ามไปเข้าอากินจัญญายตนะฌานเลยอย่างนี้ชื่อว่าชา น, านุ ก, กันติกะ คือเข้าฌานตามลำดับกระสินแต่ข้ามลำดับฌานการประกอบเนื้อความแม้ที่เริ่มจากอาโปกระสินเป็นต้นไปนักศึกษาพึงทำเหมือนอย่างเดียวกันนี้การเข้าฌานก้าวไปตามลำดับฌานแล้วข้ามกระสินไปโดยที่เว้นกระสินหนึ่งนั่นและไว้ในระหว่างโดยในยะนี้คือเข้าปฐมฌานนั้นนั่นแล ในเตโชกสินอีกตอนนั้นก็ข้ามไปเข้าในนีลกสินถัดจากนั้นก็ข้ามไปเข้าในโลหิตกสินอย่างนี้ชื่อว่ากสินุกันติกะคือเข้าฌานไปตามลําดับฌานแต่ข้ามลําดับกสินการเข้าฌานข้ามทั้งลําดับฌานและกสินโดยในยะนี้ คือเข้าปฐมฌานปัทวีกสินแล้วต่อแต่นั้นจึงเข้าตัติยะฌานในเตโชกสินเพิกนิลกสินและเข้าอากาสานัญจายตนะฌานจากโลหิตกสินไปเข้าอากินจัญญายตนะฌานอย่างนี้ชื่อว่าชานกสินุ ก, กันติกะคือข้ามทั้งฌานและกสิน ก็การเข้าปฐมฌานในปัทวีกสินแล้วเข้าฌานอื่นอีกคือเข้าทุติยชฌานตัติยชฌานจตุทาาัตทฌานในปัทวีกสินนั้นนั่นเองชื่อว่าอังคาสังการติกะคือการเลื่อนองค์ฌานการเข้าฌานเฉพาะฌานเดียวเท่านั้นในกสินทั้งหมดอย่างนี้คือเข้าปฐมฌานในปัทวีกสินแล้ว เข้าปฐมฌานซ้ำอีกในอาโปกสินและโดยลำดับจนถึงเข้าปฐมฌานซ้ำอีกในโอทาตักกสินดังนี้ชื่อว่าอารัมมณะสังกันติกะคือการเลื่อนอารมณ์ <c oughs> การเลื่อนองคและอารมณ์ด้วยการสลับกันไปอย่างนี้คือเข้าปฐมฌานในปัทวีกสินแล้วเข้าทุติยฌานในอาโปกสิน เข้าตติยะชาในเตโชกสินเข้าจตุททชาในวายโยกสินเพิกนิลักสินแล้วเข้าอากาสานัญจายตนะชาญจากปีตักสินเข้าวิญญาณัญจายตนะชาญจากโลหิตกสินเข้าอากินจัญญายตนะชาญจากโอทาตกสินเข้าในวัสัญญานาสัญญายตนะชาญ มีชื่อว่าอังคารมณะสังกัติกะคือเลื่อนองค์และอารมณ์ส่วนการกำหนดเฉพาะเพียงองค์ชานเท่านั้นอย่างนี้คือกำหนดปฐมฌานว่ามีองค์ห้าแล้วกำหนดตุติยะฌานว่ามีองค์สามกำหนดตติยะฌานว่ามีองค์สองกำหนดจตุทถตฌานอากาสานัญจายตนะฌาน จนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนาชานว่ามีองค์สองเหมือนกันดังนี้ชื่อว่าอังคาวะวัาถาปนะคือการกำหนดองค์อนหนึ่งการกำหนดเฉพาะเพียงอารมณ์เท่านั้นอย่างนี้คือการกำหนดว่านี้เป็นปัตวีกสินนี้เป็นอาโปกสินจนถึงนี้เป็นโอทาตักกสินดังนี้ ชื่อว่าอารมมณะ ว, ะวัฏฐานะคือการกําหนดอารมณ์อาจารย์พวกหนึ่งปรารถนาจะให้มีอังคารมมณะ ว, ะวัฏฐานะนั้นไม่ได้มีมาในอัตถกถาทั้งหลายเลยจึงไม่มีความสำคัญในทางการเจริญภาวนาเลยแหละก็พระโยคาวจรผู้เริ่มทำการบำเพ็ญเพียร ยังไม่ได้ฝึกจิตด้วยอาการสิบสี่อย่างเหล่านี้ดังที่ได้บรรยายมานี้ทั้งยังไม่เคยได้เจริญภาวนามาเนปางก่อนจะทำการแสดงฤทธิ์ต่างๆให้สําเร็จได้ดังนี้นั้นเป็นฐานะที่มีไม่ได้เลยจริงอยู่การบริกรรมกะสินจัดว่าเป็นงานที่หนักสําหรับพระโยคาวจรผู้เริ่มทําการบำเพ็ญเพียรหนึ่งในร้อยคน หรือว่าในพันคนเท่านั้นจึงจะสามารถทำได้การจะทำนิมิตให้เกิดขึ้นก็จัดว่าเป็นงานที่หนักสำหรับพระโยคาวจรผู้ทาบริกรรมกสินได้แล้วหนึ่งในร้อยคนหรือว่าในพันคนเท่านั้นจึงจะสามารถทาได้เมื่อนิมิตเกิดขึ้นแล้วการจะขยายนิมิตนั้นไปจนถึงบรรลุอัปปนาได้ ก็จัดว่าเป็นงานที่หนักห น, นึ่งในร้อยคนหรือว่าในพันคนเท่านั้นจึงจะสามารถทำได้การฝึกฝนจิตโดยอาการ14อย่างจัดว่าเป็นงานที่หนักสำหรับพระโยคาวจรผู้ได้รับอัปปนาแล้วห น, นึ่งในร้อยคนหรือว่าในพันคนเท่านั้นจึงจะสามารถทำได้ ชื่อว่าการแสดงฤทธิ์ต่างๆก็จัดว่าเป็นงานที่หนักสำหรับพระโยคาวจอรแม้เป็นผู้มีจิตอันได้ฝึกฝนแล้วด้วยอาการสิบสี่อย่างก็ตามทีหนึ่งในร้อยคนหรือว่าในพันคนเท่านั้นจึงจะสามารถทาได้การจะเข้าชานได้อย่างฉับพลันก็ตามจัดว่าเป็นงานที่หนักสำหรับผู้แม้จะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้แล้วก็ตาม ห น, นึ่งในร้อยคนหรือว่าในพันคนเท่านั้นจึงจะเข้าฌานได้อย่างฉับพลันตัวอย่างเช่นในเทรามพัทธละวิหารมีพระรากิตะเทระผู้อุปสมบทได้แปดพันษานับว่าเป็นเอกในบรรดาภิกษุผู้มีฤทธิ์ประมาณสาม0 0ืนรูปที่่านกันมาพยาบาลไข้พระมหาโรหณคุตตเทระอนุภาพของพระรากิตาเทระนั้น ได้กล่าวไว้แล้วในปัตวีกสิินิเทศนั่นแลก็พระเทระได้เห็นอนุภาพนั้นของพระรากิตะเทระนั้นแล้วจึงกล่าวตักเตือนภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายถ้าหากจะไม่มีพระราคิตะแล้วไซพวกเราทั้งหมดจะถูกติเตียนว่าภิกษุเหล่านี้ไม่สามารถจะปกป้องพญานาคได้เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อว่าอาวุธประจำตัวที่จะพึงถือเที่ยวไปควรชำระล้างให้สนิทดีซะก่อนแล้วจึงถือเที่ยวไปได้ภิกษุทั้งสา0หมืนรูปนั้นพากันปฏิบัติตามโอวาทของพระเทระแล้วจึงได้เป็นผู้เข้าฌานได้อย่างฉับพลันและถึงจะเข้าฌานได้อย่างฉับพลันแล้วก็ดีการที่จะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ ก็ยังจัดว่าเป็นงานที่หนักหนึ่งในร้อยคนหรือว่าในพันคนเท่านั้นจึงจะสามารถทำได้ตัวอย่างเช่นเมื่อครั้งมารบันดาลให้ฝนถ่านเพลิงตกลงในที่สิริพันธวหนะหานาบูชามายถึงการบูชาด้วยพระที่เป็นการใหญ่เริ่มต้นแต่ที่เจติยะคิรีแผ่ออกไปทั่วเกาะลังกาและเลยลงไปในทะเลอีกยอหนึ่งพระเถระ ได้เนรมิตแผ่นดินขึ้นบนอากาศต้านทานฝนทานเพลิงไว้ได้แต่สำหรับท่านผู้บาเพญ็ญความเพียรอย่างแรงกล้ามาแต่ปางก่อนเช่นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอัครสาวกทั้งหลายถึงว่าจะเว้นจากการบรรลุอรหัตผลตามลาดับขั้นตอนแห่งภาวนาที่กล่าวมาทุกประการการแสดงฤทธิ์ต่างๆและคุณทั้งหลายอย่างอื่น มีปฏิสัมพิทาเป็นประเภทก็ย่อมสำเร็จได้เพราะฉะนั้นพระโยคาวจรผู้จะเริ่มการฝึกฝนจิตควรฝึกฝนจิตโดยอาการสิบสี่อย่างเหล่านี้ทำจิตให้อ่อนควรแก่การงานด้วยอำนาจการเข้าฌานทำฉันทะให้เป็นประธานทำวิริยะให้เป็นประธานทำจิตตะให้เป็นประธาน ทำวิมังสาให้เป็นประธานและด้วยอำนาจการทำจนชำนาญชำนาญในการนึกเป็นต้นแล้วพึงทำความพยายามในอิทธิวิทะเถิดเปรียบเหมือนช่างทองผู้ต้องการจะทำเครื่องประดับต่างชนิดย่อมทำทองให้อ่อนควรแก่การทำเครื่องประดับด้วยการวิธีมีการสูบเป่าไฟเป็นต้นแล้วจึงทำได้ฉะนั้น และเปรียบเหมือนช่างหม้อผู้ต้องการจะทำภาชนะต่างชนิดย่อมทำดินให้อ่อนขยามดีแล้วจึงทำได้ฉนั้นแต่ท่านพูดถึงพร้อมด้วยบุรภาเหตุแม้จะประพฤติให้เชี่ยวชาญเพียงจะตุททะชาญในกสินทั้งหมดก็ทำได้ก็ในอธิการนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงถึงวิธีที่พระโยคี ควรทำความเพียรพยายามจึงตรัสพระดํารัสเป็นต้นว่าประโยคีนั้นครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นอย่างนี้แล้วดังนี้ในอธิการว่าด้วยการทำฤทธิ์ให้สําเร็จนั้นมีคําวินิจฉัยตามแนวแห่งความหมายของพระบาลีดังต่อไปนี้ในบทพระบาลีเหล่านั้นบทว่านั้นหมายถึงพระโยคีบุคคล ผู้บรรลุจตุทัฐาชานได้แล้วคำว่าอย่างนี้นั่นเป็นเครื่องแสดงชี้ถึงลำดับแห่งจตุทัฐาชานคำนี้มีอธิบายว่าได้จตุทัฐาชานมาโดยลำดับตั้งแต่ปฐมฌานมาคำว่าตั้งมั่นคือตั้งมั่นด้วยจตุทัฐาชานสมาธินี้คำว่าในจิต หมายเอาในรูปราวจรจิตก็ในคําว่าบริสุทธิ์เทเป็นต้นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ชื่อว่าบริสุทธิ์แล้วเพราะภาวะคือความบริสุทธิ์แห่งสติด้วยอำนาจอุเบกขาก็เพราะบริสุทธิ์อย่างนั้นจึงชื่อว่าสะอาดอธิบายว่าผ่องใส ชื่อว่าไม่มีกิเลสเครื่องรบกวนเพราะกำจัดกิเลสเครื่องรบกวนมีราคะเป็นต้นได้ด้วยการห้ามหันปัจใจมีความสุขเป็นต้นเสียได้เพราะความไม่มีกิเลสเครื่องรบกวนนั่นแหลจึงชื่อว่าปราศจากอุปกิเลสด้วยว่าจิตนั้นจะขุนมัวก็ด้วยกิเลสเครื่องรบกวน จิตชื่อว่าเป็นธรรมชาติอ่อนก็เพราะเหตุที่ได้อบรมมาดีแล้วอธิบายว่าจนเป็นจิตถึงความเป็นธรรมชาติคล่องแคล่วเพราะว่าจิตที่บังคับได้ท่านเรียกว่าจิตที่อ่อนคือว่าง่ายเพราะความเป็นจิตอ่อนนั่นแหลจึงเป็นจิตควรแก่การงานอธิบายว่าทนต่อการงานใช้การได้ เพราะจิตที่อ่อนย่อมเป็นจิตที่ควรแกการงานดุดทองคําที่ช่างทองไล่มนทินดีแล้วฉะนั้นก็แลความอ่อนและควรแกการงานทั้งสองอย่างนั้นจะมีได้ก็เพราะการอบรมที่ดีนั่นเองสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรายัางไม่พิจารณาเห็นธรรมะอย่างอื่นแม้สักข้อหนึ่ง ที่บุคคลอบรมแล้วบำเพ็ญให้มากแล้วจะเป็นธรรมชาติอ่อนและเหมาะควรแกการงานเหมือนอย่างจิตนี้เลยชื่อว่าเพราะตั้งมัน่นเพราะตั้งอยู่ในคุณธรรมมีความเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นต้นเหล่านี้เองเพราะเหตุที่จิตตั้งมั่นอย่างนั้นจึงชื่อว่าถึงความไม่หวั่นไหว อธิบายว่าไม่คลอนแคลนไม่เอ็นเอียงอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าดำรงมัน่นเพราะตั้งอยู่ในอำนาจของตนโดยที่เป็นธรรมชาติอ่อนและเหมาะควรแกการงานเพราะเป็นจิตที่คุณมีศรัทธาเป็นต้นประครับประคองแล้วจึงชื่อว่าถึงความไม่หวั่นไหวแท้จริง จิตที่ได้รับการประคับประคองจากศรัทธาที่ตั้งมั่นย่อมไม่หวั่นไหวไปตามความไม่เชื่อจิตที่ได้รับการประคับประคองจากความเพียรที่ถูกย่อมไม่หวั่นไหวเพราะความเกียจคร้านจิตที่ได้รับการประคับประคองจากสติชอบย่อมไม่หวั่นไหวเพราะความประมาทจิตที่ได้รับการประคับประคองจากสมาธิชอบ ย่อมไม่หวั่นไหวไปตามความฟุ้งซ่านจิต ท, ที่ได้รับการประคับประคองจากปัญญาย่อมไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจอาวิชชาและจิต ท, ที่ถึงความสว่างสวัยแล้วย่อมไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจความมืดคือกิเลสอีกจิต ท, ที่ได้รับการประคับประคองจากธรรมะหกประการนี้แล้ว ย่อมเป็นจิตถึงความไม่หวั่นไหวจิตที่ประกอบด้วยองค์แปดประการเหล่านี้คือหนึ่งสมาหิเตเมื่อจิตตั้งมั่นสองปริสุทธเทบริสุทธิ์สปริโยธาเตผ่องแผ้วสอนังคเนไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนห้า วิคตุปกิเลเสปราสจาอุปกิเลส 6. มุทุภูเตเป็นธรรมชาตินุ่มนวล 7. กัมมนิเยเพราะควรแก่การงาน 8. ทีทิเตอเนนชัปปเตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิต ท, ที่ประกอบด้วยองค์8ประการเหล่านี้ย่อมควรแก่อภินิหาร เพื่อทำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งซึ่งอภิญญาสัจจิกรณียธรรมทั้งหลายนักศึกษาพึงทราบอีกอธิบายหนึ่งว่าชื่อว่าตั้งมัน่นเพราะเป็นสมาธิในจตุทธตชานชื่อว่าบริสุทธิ์เพราะว่าเป็นจิตที่ไกลาจากนิวรณธรรมชื่อว่าผ่องแผ้ว เพราะก้าวล่วงองค์ชานมีวิตตกเป็นต้นได้ชื่อว่าไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนเพราะไม่มีความเลวซึ่งดิ่งลงสู่ความอยากอันเป็น่าศึกต่อการได้ชาญชื่อว่าปราศจากอุปกิเลสเพราะปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตมีอภิชาเป็นต้นก็จิตที่ประกอบด้วยองค์ทั้งสองคืออนังคเน และวิกตุกปากิเลเสนีนักศึกษาพึงทราบเนื้อหาสาระตามที่ปรากฏในอนังคณสูตรและวัฏถสูตรเถิดชื่อว่าธรรมชาตินุ่มนวลเพราะถึงความเชี่ยวชาญชื่อว่าเหมาะควรแก่การงานเพราะเข้าถึงความเป็นบาทแห่งฤทธิ์ชื่อว่าตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเพราะเข้าถึงความเป็นจิตปราณี โดยความบริบูรณ์แห่งภาวนาจิต ท, ที่ประกอบด้วยองค์แปดประการดังที่ว่ามานี้ย่อมจัดเป็นจิตควรแก่อภินิหารคือเป็นบาทเป็นปทัฏฐานเพื่อทำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งซึ่งอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมทั้งหลายได้แลฤทธิสิบประการ นักศึกษาพึงทราบวินิจฉัยในพระบาลีที่ว่าย่อมนำจิตคือน้อมนำจิตไปในริษมีอย่างต่างๆดัง ต, ง, ต ง, ต ง, ตงต่อไปนี้ชื่อว่าริษเพราะอัฏฐว่าเป็นความสำเร็จอธิบายว่าเพราะอัฏฐาว่าเป็นผลแห่งความสำเร็จและเพราะอัฏฐว่าได้รับความสำเร็จจริงอยู่สิ่งใดย่อมเพลดผล และบุคคลได้รับเฉพาะซึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นก็เรียกได้ว่าสำเร็จสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเมื่อบุคคลกำลังมุ่งหวังต่อการวัตถุอยู่หากว่าสิ่งที่มุ่งหวังนั้นย่อมสำเร็จแก่เขาไซดังนี้อันหนึ่งเนคขัมมะชื่อวาริตเพราะอัรฐาว่าย่อมสำเร็จ ชื่อว่าปฏิหารเพราะอัฏฐว่านำปฏิปปกระทไปเสียจากอารหาตมักชื่อว่าริศเพราะอัฏฐว่าย่อมบรรลุผลชื่อว่าปฏิหารเพราะอัฏฐว่าย่อมนำไปเฉพาะอีกนัยยะหนึ่งชื่อว่าริศเพราะอัฏฐว่าเป็นความสำเร็จผล คำว่าฤทธ์นี้เป็นชื่อของความถึงพร้อมแห่งอุบายจริงอยู่ความถึงพร้อมแห่งอุบายย่อมสาเร็จได้เพราะประสบผลตามที่ต้องประสงค์สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าจิตตะคฤรหบดีนิแลมีศีลมีธรรมอันงามถ้าหากเธอจะตั้งความปรารถนาว่า ขอเราพึงได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในอนาคตการนุ้นเทร์ดังนี้ก็จะสำเร็จผลได้เพราะผู้มีศีลเป็นผู้มีความตั้งใจปรารถนาหมดจดอีกความหมายหนึ่งว่าชื่อว่าฤทธ์เพราะเป็นเหตุสำเร็จผลแห่งสัตว์ทั้งหลายอธิบายว่าคำว่าสำเร็จก็คือเจริญรุ่งเรืองถึงความเป็นคุณชั้นสูง ฤทธ์นั้นมีสิบอย่างสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าคำว่าฤทธ์ได้แก่ฤทธ์สิบอย่างและกล่าวต่อไปอีกว่าฤทธ์สิบอย่างเป็นไนฤทธ์สิบอย่างคือหนึ่งอธิฐานาอิทธิฤทธ์อธิษฐาน 2. วิกุปพนาอิทธิฤทธิธรรมเป็นได้หลายอย่างสมนโนมายาอิทธิ ริทที่สร้างรูปมีใจครอง 4. ญาณวิภาราอิธิริทที่มีญาณปกป้องหสมาธิวิภาราอิธิริทที่มีสมาธิปกป้อง 6. อริยอิธิริทของพระอริยะ 7. กัมมะวิปากชาอิทธิริทที่เกิดแต่ผลแห่งกรรม 8. ปุญญวัตโตอิธิฤทธิของผู้มีบุญเก้าวิชามยาอิธิฤทธิที่สำเร็จด้วยวิทยาและสิบตัทธัตถะสัมมาปโยคปัจจยาอิชนเทนะอิทธิฤทธิที่หมายความว่าเป็นเครื่องสำเร็จเพราะประกอบโดยชอบในกิจนั้นๆเป็นปัจจัย ฤทธิป์ประการที่หนึ่งอธิฐานาอิทิในบรรดาฤทธิ์ทั้งสิบอย่างนั้นฤทธิ์ที่ท่านจำแนกแสดงอย่างนี้ว่าตามปกติพระโยคีเป็นคนคนเดียวแต่นึกให้เป็นมากคนได้คือให้เป็นร้อยคนพันคนหรือหมื่นคนพอนึกแล้วจึงอธิษฐานด้วยยานว่วขอเราจงกลายเป็นคนหลายคนเถิดดังนี้ชื่อว่า อธิฐานาอิทธิเพราะสำเร็จด้วยอำนาจการอธิษฐานฤทธิ์ประการที่สองวิกุปพนาอิธิฤทธิ์ที่มีมาอย่างนี้ว่าประโยคขีนั้นละเพศปกติของตนแล้วแสดงเป็นเพศเด็กก็ได้แสดงเป็นเพศหน้าก็ได้แสดงเป็นกระบวนทับและหลายวิธีก็ได้ อย่างนี้ชื่อว่าวิกุปพนาอิทธิเพราะแสดงให้เป็นไปด้วยอำนาจการละเพศเดิมของตนแล้วแสดงให้เป็นเพศต่างต่างฤทธิประการที่สามมโนมายาอิทธิฤทธิที่มีมาโดยความหมายอย่างนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เนรมิตร่างกายเดิมเป็นกายอื่นให้เป็นรูปมีจิตใจ อย่างนี้ชื่อว่ามโนมยาอิทธิเพราะบรรดาให้สำเร็จเป็นสรีระอื่นที่มีจิตใจครองภายในสรีระร่างเป็นส่วนหนึ่งต่างหากฤทธิรประการที่สี่ญาณวิภาราอิทธิก็คุณวิเศษที่เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งญาณในการก่อนหรือภายหลังแต่ความเป็นไปแห่งญาณก็ดี ในขณะที่ยานเป็นไปอยู่ก็ดีชื่อว่ายานาวิพาราอิทิสมดังคำที่ท่านกล่าวไว้ในพระบาลีว่าฤทธ์ชื่อว่าญาณวิภาราเพราะเป็นอัถะคือการละความสำคัญว่าเทีย่ยงย่อมสาเร็จได้ด้วยอนิจจานุปัสสนาฤทธ์ชื่อว่าญ า, าวิภาราเพราะโดยอัถะคือการละกิเลสได้ทั้งหมด ย่อมสำเร็จได้ด้วยอรหัตตมรักเหมือนฤทธิ์ที่มียานปกป้องของท่านพากุละเหมือนฤทธิ์ที่มียานปกป้องของท่านสังคิ จ, จ่าและเหมือนฤทธิ์ที่มียานปกป้องของท่านภูตบานฉะนั้นเรื่องพระพากุละในท่านทั้งสามนั้นจะเล่าถึงเรื่องท่านพระพากุละเป็นอันดับแรก ครั้งที่ท่านยังเป็นเด็กเล็กๆในวันทำพิธีมงคลเขาให้เอาไปอาบน้ําในแม่น้ําเพราะความเลินเลิกของหญิงแม่เลี้ยงจึงพลัดตกลงไปในกระแสน้ําปลากลืนท่านเข้าไปในท้องแล้วแหวกว่ายไปถึงท่าน้ํากรุงพาราณสีณนะที่ท่าน้ํากรุงพาราณสีนั้นมีชาวประมงคนหนึ่งจับปลาตัวนั้นได้แล้วนําไปขายให้ภริยาของท่านเศรษฐี นางเกิดความชอบใจปลาตัวนั้นจึงพูดว่าเราจกลงมือต้มปลาเองว่าแล้วก็ทำการผ่าท้องปลาทันทีนั้นก็พบเด็กมีรูปร่างขาวเหลืองดังทองคาอยู่ในท้องปลาจึงดีใจพูดว่าเราได้ลูกแล้วการที่เด็กอยู่ในท้องปลาไม่มีโรคภัยเบียดเบียนดังนี้ชื่อว่ายานวิภาราอิทิ คือฤทธิ์ที่มียานปกป้องคุ้มครองรักษาเพราะเกิดขึ้นด้วยอานุภาพอรหัตมรคยานที่ท่านพากุละผู้เกิดในภพสุดท้ายจะพึงบรรลุโดยอัตภาพนั้นส่วนเรื่องของท่านพระภากุละนักปราชญ์ควรเล่าให้พิสดานเรื่องพระสังกิจเทระอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อพระสังกิจจะเทระยังอยู่ในคันมารดาได้ถึงแก่กรรมพวกสั ป, ปเปอรอยกศพหญิงนั้นขึ้นสู่เชิงตะกอนขณะกำลังเผาก็ใช้เหลาเหล็กทิมแทงทารกถูกปลายเหลาแทงที่หางตาจึงส่งเสียงร้องขึ้นขณะนั้นชนทั้งหลายจึงได้พากันยกศพนั้นลงมาเพราะรู้ว่าเด็กในท้องยังมีชีวิตอยู่จึงผ่าท้องแล้วได้ให้ทารกนั้นแก่ยายไป เด็กคนนั้นได้รับการเลี้ยงดูจากยายจนเติบใหญ่ต่อมาได้บวชแล้วบรรลุพระอรหัสต์พร้อมทั้งปฏิสัมพิธาสีการที่ทารกอยู่บนเชิงตะกรฟืนไม่มีโรคภัยเบียดเบียนก็ด้วยเหตุแห่งเนื้อความตามที่กล่าวไว้แล้วนั่นแหละดังนี้จัดเป็นยานวิภาราอิทิของท่านพระสังกิจจะเรื่องเด็กภูตบาน อีกเรื่องหนึ่งบิดาของเด็กภูตบาลเป็นคนยากจนเข็นใจอาศัยอยู่ในกรุงราชครืบบิดากับเด็กภูตบานนั้นขับเกวียนไปในดงเพื่อหาฟืนพอทำการบรรทุกฟืนเรียบร้อยแล้วในเวลาเย็นกลับมาจะใกล้ประตูเมืองอยู่แล้วบังเอิญโคทั้งสองตัวของเขาเกิดพยศสลัดแอกออกวิ่งเข้าไปในเมือง ก็จึงให้ลูกน้อยนั่งรออยู่ที่ใกล้เกวียนแล้วตนเองก็รีบติดตามโคเข้าไปในเมืองอย่างไม่รอรีเมื่อบิดาของเด็กนั้นยังมิทันได้ออกมานายทวานก็ปิดประตูเมืองซสียแล้วจำต้องทิง้งลูกน้อยให้นอนอยู่นอกเมืองเพียงคนเดียวการที่เด็กอยู่นอกเมืองตลอดสามยามแห่งราตรีไม่มีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนทั้งที่มียักษ์ร้ายเที่ยวสัญจรไปมาอยู่ก็ตาม ดังนี้ชื่อว่ายานวิภาราอิทิคือริดที่มียานปกป้องคุ้มครองโดยในยะที่ได้กล่าวไว้แล้วแลอันเรื่องนี้ก็น่าเล่าให้พิสดารริดประการที่ห้าสมาธิวิภาราอิทิคุณวิเศษที่เกิดด้วยอำนาจสมถะในการก่อนหรือภายหลังสมาธิ หรือในขณะแห่งสมาธินั้นชื่อว่าสมาธิวิภาราอิทธิคือฤทธิ์ที่ปกป้องด้วยสมาธิสมดังคําที่ท่านกล่าวไว้ว่าชื่อว่าฤทธิ์ที่ปกป้องด้วยสมาธิเพราะอัถฐคือการละนิวรธรรมทั้งหลายสําเร็จได้ด้วยปฐมฌานชื่อว่าฤทธิ์ที่ปกป้องด้วยสมาธิเพราะอัถฐ คือการละอากินจัญ ญ, ญายตนะสมาบัติสำเร็จได้ด้วยเนวสัญญานาสัญ ญ, ญายตนะสมาบัติเหมือนฤทธิ์ที่ปกป้องด้วยสมาธิของท่านพระสารีบุตรของท่านสัญชีวะของท่านพระขานุโกนธัญญาของนางอุตราอุบาสิกาและเหมือนฤทธิ์ที่ปกป้องด้วยสมาธิของพระนางสามาวดีอุบาสิกาฉะนั้นเรื่องพระสารีบุตรเทระ ในท่านเหล่านั้นจะเล่าถึงเรื่องพระสารีบุตรพอเป็นนิทัศนะต่อไปในคราวที่ท่านพระสารีบุตรเทระกับพระมหาโมคลานะเทระพักอยู่ที่วิหารชื่อว่ากโปตกันธราปลงผมเสร็จแล้วใหม่ๆในคืนนั้นเดือนงายจึงพากันออกมานั่งอยู่กลางแจ้งในขณะนั้นยักษ์ร้ายตนหนึ่งแม้จะถูกเพื่อนยักษ์ด้วยกันห้ามก็ไม่ฟัง ได้ตีที่ศีรษะของพระเทระดังแรงเหมือนเสียงฟ้าร้องพระเทระได้สมาบัติในขณะที่ยักนั้นตีพระเทระจึงไม่ได้มีความเจ็บปวดแต่อย่างใดเพราะการตีนั้นเลยนี้ชื่อว่าฤทธิปกป้องด้วยสมาธิของท่านพระสารีบุตรเทระนั้นก็เรื่องนี้มีมาในอุทานนั้นนั่นแหละ เรื่องพระสัญชีวะเทระฝ่ายพระสัญชีวะเทระกำลังเข้านิโรธทศมาบัตอยู่พวกคนเลี้ยงโคเข้าใจว่าท่านตายแล้วจึงขนหญ้าไม้และมูลโคมาสุมแล้วจุดไฟเผาท่านแม้แต่เส้นได้ที่จีวรของท่านก็มีได้ไม่น้ชื่อว่าวริทที่ปกป้องด้วยสมาธิซึ่งเกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งสมถะ ซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจอนุปุปภาสมาบัติของท่านก็เรื่องนี้มีมาในพระสูตรนั่นแหละเรื่องพระขานุโกนทั ญ, ญะเทระฝ่ายพระขานุโกนทัญญะเทระตามปกติท่านเข้าสมาบัติอยู่เสมอคืนหนึ่งท่านนั่งเข้าสมาบัติอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง พวกโจรห้าร้อยลัก ข, ของเขาเดินไปอยู่คิดกันว่าบัดนี้ไม่มีใครตามเรามาได้จึงต้องการพักผ่อนเมื่อจะวางของลงสำคัญว่านี่เป็นหัวตอ่อจึงวางสิ่งของทั้งหมดไว้บนพระเทระนั่นแหละเมื่อโจรเหล่านั้นพักผ่อนหายเหนื่อยแล้วจะเดินทางต่อไปพอเวลาหยิบห่อสิ่งของที่วางไว้ทีแรกพอดีพระเทระ ออกจากสมาบัติตามเวลาที่กำหนดไว้พวกโจรเหล่านั้นเห็นอาการเคลื่อนไหวของพระเทระจึงกลัวร้องลั่นพระเทระจึงบอกว่าอย่า ก, กลัวเลยโยมอาตมาผ้าเป็นพระสงฆ์พวกโจรเหล่านั้นพากันมาไหว้ด้วยความเลื่อมใสในพระเทระขอบวชแล้วได้บรรลุพระอระหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีในเรื่องนี้ พระเทระถึงจะถูกสิ่งของตั้ง500ห้าร้อยห่อทับถมก็ไม่มีอาการอ า, าพาธเลยดังนี้ชื่อว่าฤทธิ์ที่ปกป้องด้วยสมาธิหมายเหตุผู้อ่านในที่นี้ท่านน่าจะคลุมผ้าไว้ทั้งร่างกายนะครับพวกโจรเลยคิดว่าเป็นตอไม้ที่คลุมผ้าไว้เรื่องนางอุตราอุบาสิ ก, กา ฝ่ายนางอุตระอุบาสิกาผู้เป็นธิดาของท่านปุณณะเศรษฐีทุกนางแพศยาชื่อว่าสิริมาคิดริษยาเอากระทะน้ำมันที่เดือดพล่านเทรถบนศีรษะของนางอุตรานั้นนางอุตราเข้าเมตตาสมาบัติในทันทีนั่นเองน้ำมันได้กลิ้งตกไปดุดหยาดน้ำกลิ้งตกจากใบบัวฉะ น, นั้นนี้ชื่อว่าฤทธิ์ที่ปกป้องด้วยสมาธิของนางอุตรานั้น ส่วนเรื่องละเอียดนักปราดควรเล่าให้พิศดารเรื่องพระนางสามาวดีพระอัคระมะเหสีของพระเจ้าอุเทนทรงพระนามว่าพระนางสามาวดีมาคันธียะพราหม์ปรารถนาตำแหน่งอัคระมะเหสีแก่ทิดาของตนจึงใช้ให้คนเอางูพิษ ใส่เข้าไปในพินของพระนางสามาวดีนั้นแล้วทูลพระเจ้าแผ่นดินว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระนางสามาวดีทรงคิดจะปลงพระชนพระองค์จึงจับเอางูพิษใส่เว้นในพินพระราชาทอดพระเนตรเห็นงูพิษนั้นแล้วก็ส่งกริวทรงพระราชดำริว่าเราจะฆ่านางสามาวดีจึงยกธนูขึ้นแล้วสอดสายธนูอันกำซาบด้วยยาพิษเข้า พระนางสามาวดีพร้อมทั้งบริวารจึงแผ่เมตตาไปยังพระราชาพระราชาไม่สามารถจะยิงลูกศรไปได้และจะลดคันศรลงก็ไม่ได้ได้ทรงยืนสั่นอยู่ลำดับนั้นพระราชเทวีจึงกราบทูลเท้าเธอว่าข้าแต่มหาราชเจ้าทรงลำบากหรือไม่พระเจ้าค่ะพระราชาตรัสสารภาพว่าจ๊ะฉันกําลังลําบาก พระนางจึงกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงทรงลดธนูลงเถิดลูกสอนตกลงแล้วในที่ใกล้พระบาทพระราชาทันทีครานั้นพระเทวีจึงทรงสั่งสอนเท้าเธอว่าข้าแต่มหาราชเจ้าบุคคลไม่ควรทาร้ายต่อผู้ที่ไม่ได้ทำร้ายการที่พระราชาไม่สามารถจะปล่อยลูกสอนไปได้ ดังที่ได้บรรยายมา น, นั้นชื่อวาริทที่ปกป้องด้วยสมาธิของพระนางสามาวดีอุบาสิกาแลริทประการที่หกอริยาอิทธิก็การอยู่ของท่านผู้มีความสําคัญในของปฏิกูลเป็นต้นว่าเป็นของไม่ปฏิกูลเป็นต้นอยู่เป็นนิชชื่อว่า อริยาอิทิคือฤทธิ์ของพระอริยะสมดังคาที่กล่าวไว้ว่าฤทธิ์ของพระอริยะเป็นไนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หากจะหวังว่าเราพึงเป็นผู้มีความสำคัญในของปฏิกูลว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ดังนี้ไซเธอย่อมเป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่เป็นของปฏิลในของที่ปฏิลนั้นอยู่จนถึง เป็นผู้วางเฉยมีสตินึกรู้สึกอยู่ในของปฏิกูลนั้นดังนี้ก็ริ์นี้ท่านเรียกว่าอาริยาอิทธิริ์ของพระอริยะเพราะบังเกิดแก่พระอริยะทั้งหลายผู้มีความเชี่ยวชาญทางใจอย่างเดียวจริงอยู่พระขีณาสพผู้ประกอบด้วยริ์นี้ย่อมทำการแผ่เมตตาหรือไฝ่ใจด้วยความเป็นธาตุ ไปในวัตถุที่ปฏิกูลไม่น่าปรารถนาเป็นผู้มีความสำคัญหมายว่าไม่น่าเกลียดอยู่และทําการแผ่โดยเป็นของไม่งามหรือไฝ่ใจว่าไม่เที่ยงในวัตถุที่ไม่น่าเกลียดคือที่น่าปรารถนาเป็นผู้มีความสําคัญหมายว่าเป็นของปฏิกูลอยู่อันหนึ่งยอมทำการแผ่เมตตาหรือไฝ่ใจด้วยความเป็นาธาตุนั่นแล ในของทั้งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลเป็นผู้มีความสำคัญในของปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลอยู่และทำการแผ่ว่าไม่งามหรือฝ่ใจว่าไม่เที่ยงนั่นแหลในวัตถุทั้งไม่ปฏิกูลและปฏิกูลเป็นผู้มีความสำคัญหมายในของปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าเป็นของปฏิกูลอยู่อันหนึ่ง ท่านอย่างอุเบกขามีองค์หกซึ่งท่านกล่าวไว้โดยไยะเป็นต้นว่าเห็นรูปด้วยตาแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจให้เป็นไปอยู่ยอมรากห่วงทั้งสองคือทั้งในของปฏิกูลและไม่ปฏิกูลวางเฉยมีสติรู้สึกอยู่ก็เนื้อความนี้แหละท่านจำแนกไว้ในปฏิสัมพิธาโดยไยะเป็นต้นว่า อย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีความสำคัญหมายว่าไม่ปฏิกูลในของปฏิกูลอยู่คือภิกษุแผ่เมตตาหรือน้อมนำไปโดยทาตในวัตถุอันไม่น่าปรารถนาเป็นต้นดังนี้ฤทธ์ดังกล่าวมานี้ท่านเรียกว่าฤทธ์ของพระอริยะเพราะบังเกิดเฉพาะแก่ผู้ประเสริฐซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางใจดังนี้แล ริดประการที่เจ็กรร ม, มวิปากชาอิทธิก็กิริยาที่บินไปในกลางหาวเป็นต้นแห่งหมู่นกเป็นต้นชื่อว่ากรร ม, มวิปากชาอิทธิริดเกิดแต่ผลของกรรมสมดังที่ท่านแสดงไว้ว่าริดเกิดแต่ผลของกรรมเป็นฉไนคือริดของนกทุกจําพวก ของเทวดาทุกจาพวกของมนุษย์บางพวกของสัตว์วินิปาติกะบางพวกมีชื่อว่าฤิเกิดแต่ผลของกรรมจริงอยู่บรรดาสัตว์ทั้งหมดนี้การไปโดยอากาศเว้นขาจาักชานและวิปัสสนาของนกทุกจาพวกและของเทวดาทั้งหมดและของมนุษย์บางพวกผู้เกิดในต้นกับก็เหมือนกันอันหนึ่งการไปโดยอากาศ ของวินิปาติกะสัตว์บางพวกเป็นต้นว่านางยักษินีชื่อปียังกระมารดาชื่ออุตรมารดาชื่อปุสมิตาชื่อธรรมคุตตาเป็นต้นก็เช่นเดียวกันชื่อว่ากรรมวิปากชาอิทิฤทธิเกิดแต่ผลของกรรมฤทธิประการที่แปดปุญญวตโตอิทิ ก็การไปกลางหาวเป็นต้นของพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นต้นชื่อว่าปุญญวัโตอิทธิฤทธ์ของผู้มีบุญสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าฤทธ์ของผู้มีบุญเป็นชไหนพระเจ้าจากักรพรรดิพร้อมด้วยจัตุรงคเสนาจนชั้นคนผูกม้าและคนผูกโคก็ไปสู่กลางหาวได้ฤทธ์ของโชติกะคฤหาบดีผู้มีบุญ ฤทธิ์ของท่านชาติละคะระหบดีผู้มีบุญฤทธิ์ของท่านโคสกะคะระหบดีผู้มีบุญฤทธิ์ของท่านเมทะกะคฤระหบดีผู้มีบุญฤทธิ์ของผู้มีบุญมากทั้งห้าท่านก็ไปสู่กลางหาวได้เหมือนกันก็ว่าโดยสังเขปคุณนพิเศษซึ่งสำเร็จในเมื่อบุญสมภารถึงความแก่เต็มที่แล้วชื่อว่าฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญ ก็ในบรรดาผู้มีบุญเหล่านั้นสำหรับท่านโชติกะคฤรืหบดีมีประสาทแก้วมณีและต้นกลพลึกหกต้นชําแรกแผ่นดินขึ้นมาปรากฏดังนี้ชื่อว่าริตของผู้มีบุญสำหรับท่านโชติกะนั้นผู้เขาทองคำสูง8ปสศอกเกิดขึ้นแล้วแก่ท่านชัติละนี้ชื่อว่าริตของผู้มีบุญสำหรับชติละคฤหบดีนั้น ความไม่มีโรคของท่านโคสกะแม้ในเมื่อถูกท่านเศรษฐีทำความพยายามเพื่อจะฆ่าในที่ทั้งเจ็ดแห่งนีชื่อว่าวริดของท่านผู้มีบุญการที่แพะทำด้วยแก้วเจ็ดประการปรากฏแก่ท่านเมนธกะในที่นาเพียงแต่ไถได้รอยเดียวนีชื่อว่าวริดของท่านผู้มีบุญธรรมดาว่าบุคคลผู้มีบุญมากห้าคน คือเมธะากะเศรษฐีหนึ่งนางจันทปทุมมาสิรีภริยาเศรษฐีนั้นหนึ่งนายทนัญชัยเศรษฐีบุตรหนึ่งนางสุมลเทวีลูกสะพ้ายหนึ่งนายปุณณะคนรับใช้หนึ่งในคนทั้งห้านั้นในเวลาที่เศรษฐีดำกล้าวแล้วเงียนดูอากาศช้าง 1,250 ช้างย่อมเต็มด้วยข้าวสาลีแดงอันตกจากอากาศ เมื่อภริยาถือข้าวสุกแม้เพียงทนานหนึ่งเลี้ยงชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นพัดคืออาหารนั้นไม่ได้สิ้นไปเลยเมื่อบุตรถือถุงบรรจุ ก, กะหาปณะพันหนึ่งให้แม่แก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นอยู่กะหาปณะก็ไม่ได้หมดสิ้นไปเลยเมื่อลูกสะพ้ยถือข้าวเปลือกเพียงทนนานเดียวแจกให้แม่แก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น ข้าเปลือกก็ไม่ได้หมดสิ้นไปเลยเมื่อธาตุเอาไถอันเดียวไถอยู่เป็นรอยถึงสิบสี่รอยคือข้างนี้เจ็ดรอยข้างนวนเจ็ดรอยนี้ชื่อว่าฤทธิ์แห่งผู้มีบุญของชนเหล่านั้นฤทธิ์ประการที่เก้าวิชามายาอิทิ ก็การไปในกลางหาวเป็นต้นของพวกวิชาทรเป็นต้นชื่อว่าวิชามยาอิทิฤทธิสาเร็จด้วยวิทยาสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าฤทธิที่สําเร็จด้วยวิทยาเป็นชนะพวกวิทยาทรรายวิทยาแล้วไปสู่เวหาแสดงช้างในอากาศอันเวงว้างก็ได้เป็นต้นแสดงเป็นกองทัพให้เป็นหลายกองก็ได้นี้ชื่อว่าฤทธิ สำเร็จด้วยวิทยาฤทธิ์ประการที่สิบอิชันนัเทนาอิทิส่วนว่าความสำเร็จแห่งการงานนั้นๆด้วยความเพียรพยายามที่ถูกต้องนั้นๆชื่อว่าฤทธิ์เพราะอัตถว่าสาเร็จแต่ปัจจัยคือความเพียรชอบในกิจนั้นๆสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า ชื่อว่าฤทธิ์เพราะสำเร็จแต่ปัจจัยคือความเพียรพยายามชอบในคุณความดีนั้นๆเพราะอัฏะคือการละกามชันทะสำเร็จได้ด้วยเนคขมมะเป็นต้นชื่อว่าฤทธิ์เพราะอัฏฐะว่าสำเร็จแต่ปัจจัยคือความเพียรพยายามชอบในคุณความดีนั้นๆเพราะอัฏะคือการละกิเลทุกอย่างยอมสำเร็จได้ด้วยอรหัตตมรัก ดังนี้ก็พระบาลีในที่นี้เหมือนพระบาลีก่อนนั่นเองแต่นำมาอีกก็มุ่งที่จะแสดงถึงความเพียรพยายามชอบคือข้อปฏิบัติที่แท้จริงแต่ในอัธกถาที่เกี่ยวกับเรื่องฤิษณ์นี้ท่านอธิบายไว้ว่าศิลปกรรมบางอย่างเช่นการจัดกระบวนกวนเป็นต้นเวชกรรมบางอย่าง การเล่าเรียนจนจบไตรเพศการเล่าเรียนจนจบพระไตรปิฎกโดยที่สุดคุณวิเศษที่เกิดขึ้นเพราะกรรมนั้นๆจนชั้นการไถ่าการหวานเป็นต้นก็ชื่อว่าฤทธิ์เพราะอัตถะว่าสำเร็จแต่ปัจใจคือความเพียรพยายามชอบในกิจการงานนั้นๆบรรดารฤทธิ์ทั้งสิบอย่างดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ อธิษฐานอิทธิริที่แสดงด้วยการอธิษฐานเท่านั้นมีปรากฏแล้วในนิเทศแห่งอิทธิวิธานี้แต่ในนิเทศนี้มีเนื้อความมุ่งหมายถึงวิกุมพนาริตและมโนมยาริตด้วยเหมือนกันคำว่าเพื่อริษชนิดหนึ่งนั่นคือเพื่อส่วนหนึ่งแห่งริษได้แก่เพื่อริษที่ทำได้หลายอย่าง คำว่าย่อมนำคือย่อมน้อมจิตไปอธิบายว่าภิกษุนั้นเมื่อฌานที่มีอภินยาเป็นบาทเกิดขึ้นในจิตนั้นด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วย่อมน้อมจิตบริกรรมเพื่อบรรลุถึงริชนิดหนึ่งพรากจิตจากอารมณ์กะสินแล้วส่งจิตนั้นมุ่งตรงต่อริชนิดหนึ่งคำว่าน้อมนำ คือทำจิตให้โน้มไปสู่ริทที่ตนจะพึงบรรลุโอนไปในริทที่ตนจะพึงบรรลุคำว่านั้นได้แก่ภิกษุนั้นผู้มีอภินิหารแห่งใจอันตนกระทำแล้วอย่างนี้คำว่ามีหลายอย่างคือมีหลายชนิดได้แก่มีชนิดต่างๆกันคำว่าอิทธิวิทา แปลว่าส่วนแหง่งฤทธิ์คำว่าบรรลุคือเสวยถูกต้องทาให้แจ้งได้แก่ถึงบัดนี้เมื่อจะแสดงว่าส่วนฤทธิ้นั้นมีหลายชนิดจึงตรัสคำเป็นต้นว่าแม้เป็นคนคนเดียวดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นคำว่าแม้เป็นคนคนเดียว คือตามธรรมดาก่อนที่จะแสดงฤทธิ์เป็นคนคนเดียวคำว่าบันดาลให้เป็นคนหลายคนได้คือเธอเป็นผู้ต้องการจะเดินจงกรมหรือต้องการจะทำการสาธยายหรือต้องการจะถามปัญหาในสำนักของภิกษุหลายรูปที่นิรมิตขึ้นจะเป็นร้อยรูปก็ได้พันรูปก็ได้ถามว่าก็ภิกษุนี้ จะเป็นอย่างนั้นได้จะต้องทำอย่างไรตอบว่าเธอจะต้องทำภูมิสีแห่งฤทธิ์และบาทสีบทแปดมูลสิบหกแห่งฤทธิ์ให้ถึงพร้อมแล้วอธิษฐานด้วยยานจึงจะเป็นอย่างนั้นได้ในคุณสมบัติเหล่านั้นคำว่าภูมิสีพึงทราบว่าได้แก่ฌานสี สมดังคำที่พระธรรมเสนาบดีกล่าวไว้ว่าภูมิสี่ของฤทธิ์เป็นฉไหนคือปฐมฌานจัดเป็นวิเวกชัภูมิภูมิอันเกิดแต่วิเวกทุติยฌานจัดเป็นปีติสุขภูมิภูมิอันเกิดแต่ปีติสุขตติยฌานจัดเป็นอุเบกขาสุขภูมิภูมิอันเกิดแต่อุเบกขาและสุข จตุทถาชาญจัดเป็นอุทุคมสุขภูมิภูมิอันมีสภาวะไม่มีทุกข์และไม่มีสุขเหล่านี้เป็นภูมิสีของฤิดยอมเป็นไปเพื่อได้ริดเพื่อบรรลุถึงฤิเพื่อทําการแสดงฤิได้หลายอย่างเพื่อได้รับอานิสงส์ต่างๆแห่งริเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญทางฤิและเพื่อความกล้าๆทางริดังนี้ ก็เพราะพระโยคีอย่างลงสู่สุขสัญญาและละหุสัญญาด้วยความทราบซ่านแห่งปีติและด้วยความทราบซ่านแห่งสุขและเป็นผู้มีกายอ่อนนุ่มนวลเหมาะควรแกการงานยอมถึงซึ่งฤทธิ์ฉะนั้นในบรรดาชาเหล่านั้นชาสามตอนต้นพึงทราบว่าเป็นภูมิสำหรับปรุงเพราะเป็นไปเพื่อไดฤทธิ์โดยบรรยายมานี้ แต่ฝ่ายฌานที่สี่เป็นภูมิปกติเพื่อได้ฤทธิ์ทีเดียวคำว่าบาทสีพึงทราบว่าได้แก่อิทธิบาทสีสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าบาทแห่งฤทธิ์สี่อย่างเป็นชไหนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยชันทสมาธิ และประธานัสังขรนจะริญอิทิบาทประกอบด้วยวิริยะจิตตะวิมังสาสมาธิและประธานสังขารเหล่านี้เป็นบาทของฤทธิ์สี่ย่อมเป็นไปเพื่อได้ฤทธิ์เป็นต้นเพื่อความกล้าวกล้าด้วยฤทธิ์ดังนี้ก็ในอธิการนี้สมาธิมีความพอใจเป็นเหตุหรือยิ่งด้วยความพอใจ ชื่อว่าฉันทะสมาธิคำนี้เป็นชื่อของสมาธิที่พระโยคีทำความเป็นผู้ประสงค์จะบำเพ็ญให้เป็นใหญ่ได้แล้วสังขารอันเป็นประธานชื่อว่าประธานนัสังขารคำนี้เป็นชื่อของความเพียรเป็นเหตุตั้งไว้ชอบที่ทำกิจสี่อย่างให้สำเร็จคำว่าประกอบด้วย คือประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารคำว่าอิทธิบาทได้แก่กองจิตและเจตสิกที่เหลืออันเป็นบาทเพราะอัตถว่าเป็นที่ตั้งพำนักแห่งฉันทะสมาธิและประธานสังขารอันสัมปยุตด้วยอภิญญาจิตซึ่งถืออันนับว่าริ์เพราะอัตถว่าสาเร็จโดยบรรยายว่าความสาเร็จ หรือโดยบรรยายนี้ว่าเป็นเครื่องสำเร็จแห่งสัตว์คือเป็นเครื่องรุ่งเรืองเจริญงอกงามแห่งปวงสัตว์สมดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าชื่อว่าอิทธิบาทได้แก่เวทนาขันจนถึงวิญญาณขันของผู้เป็นอย่างนั้นอีกในยะหนึ่งชื่อว่าบาทเพราะเป็นเหตุให้สัตถ์ถึงความว่าเป็นเหตุให้สัตว์บรรลุ บาทแห่งฤทธิ์ชื่อว่าอิทธิบาทคำว่าอิทธิบาทนี้เป็นชื่อแห่งหมวดธรรมะมีฉันทะเป็นต้นก็ได้เป็นอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหากภิกษุอาศัยฉันทะจึงได้สมาธิและได้ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งนี้เรียกว่าฉันทะสมาธิเธอพยายามเพื่อให้ธรรมะที่เป็นอกุศลลามก ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเป็นต้นนี้เรียกว่าประธานสังขารชันธานี่แหละชันทาสมาธินี้และประธานสังขารเหล่านี้ดังกล่าวมาแล้วภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอิทธิบาทซึ่งประกอบด้วยชันทาสมาธิและประธานสังขารแม้ในอิทธิบาทที่เหลือนักศึกษาก็พึงทราบเนื้อความอย่างนี้เหมือนกัน คำว่าบทแปนักศึกษาพึงทราบว่าได้แก่บท8ปมีฉันทะเป็นต้นสมดังคําที่ท่านกล่าวไว้ว่าบท8ปดแห่งฤทธิ์เป็นชไหนะคือหากภิกษุอาศัยความพอใจได้สมาธิได้ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งฉันทะไม่ใช่สมาธิสมาธิก็มีใช่ฉันทะฉันทะเป็นบทหนึ่ง สมาธิก <spe ech existential Christians> ็เป็นอีกบทหนึ่งหากภิกษุอาศัยวิริยะได้สมาธิได้ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งไซส์วิริยะไม่ใช่สมาธิสมาธิก็ไม่ใช่วิริยะวิริยะเป็นบทหนึ่งสมาธิก็เป็นอีกบทหนึ่งหากภิกษุอาศัยจิตตะได้สมาธิได้ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งไซส์จิตตะไม่ใช่สมาธิ สมาธิก็ไม่ใช่จิตตะจิตตะเป็นบทหนึ่งสมาธิก็เป็นอีกบทหนึ่งหากภิกษุอาศัยวิมังสาได้สมาธิได้ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งวิมังสาไม่ใช่สมาธิสมาธิก็ไม่ใช่วิมังสาวิมังสาเป็นบทหนึ่งสมาธิก็เป็นอีกบทหนึ่งเหล่านี้คือบทแปดแหง่งฤทธิ์ยอมเป็นไปเพื่อได้ฤทธิ์เป็นต้น เพื่อความก ล, วกล้าๆทางริดดังนี้ก็ในอธิการนี้ความพอใจคือความเป็นผู้ใกล้เพื่อทำริดให้เกิดขึ้นซึ่งประกอบแล้วด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสมาธิย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ริดความเพียรเป็นต้นก็เหมือนกันเพราะเหตุนั้นนักศึกษาพึงทราบว่าเหล่านี้เป็นบทแปที่ท่านกล่าวไว้ มูลของฤทธิส16หนักศึกษาพึงทราบความที่จิตไม่หวั่นไหวโดยอาการ16หว่าเป็นมูล1ิหสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่ามูลของฤทธิมีเท่าไหร่มูลของฤทธิมี16หคือจิตที่ไม่ฟุบลงชื่อว่าอนเนนชะเพราะไม่หวั่นไหวด้วยความเกียรติครานหนึ่งจิตที่ไม่ฟูขึ้นชื่อว่าอนเนนชะ เพราะไม่วันไหวด้วยความฟุ no ้งซ่านหนึ่งจิตไม่กำหนัดชื่อว่าอเนเชะเพราะไม่วันไหวด้วยกำหนัดหนึ่งจิตไม่ขุนคล้องชื่อว่าอเนเชะเพราะไม่วันไหวด้วยพยาบาทหนึ่งจิตไม่เกาะเกี่ยวชื่อว่าอเนเชะเพราะไม่วันไหวด้วยทิฏฐิหนึ่งจิตไม่ผูกพันชื่อว่าอเนเชะ เพราะไม่หวั่นไหวด้วยสั้นทราคาหนึ่งจิตหลุดพ้นชื่อว่าอเนชะเพราะไม่หวั่นไหวด้วยการมราคาหนึ่งจิตไม่ผัวพันชื่อว่าอเนชะเพราะไม่หวั่นไหวด้วยกิเลสหนึ่งจิตที่ทำมิให้มีเขตแดนชื่อว่าอเนชะเพราะไม่หวั่นไหวด้วยเขตแดนคือกิเลสหนึ่ง จิตที่ถึงความเป็นธรรมชาติมีอารมณ์เป็นหนึ่งชื่อว่าอเนนชาเพราะไม่หวั่นไหวด้วยกิเลส ต, ต่างๆหนึ่งจิตที่สรัทธาประคองแล้วชื่อว่าอเนนชาเพราะไม่หวั่นไหวด้วยอสัตถยาหนึ่งจิตที่วิริยะประคองแล้วชื่อว่าอเนนชาเพราะไม่หวั่นไหวด้วยโกสัจชาหนึ่ง จิตที่สติประคองแล้วชื่อว่าอเนนชะเพราะไม่หวั่นไหวด้วยความประมาทหนึ่งจิตท huh ี่สมาธิประคองแล้วชื่อว่าอเนนชะเพราะไม่หวั่นไหวด้วยอุทธะหนึ่งจิตที่ปัญญาประคองแล้วชื่อว่าอนเนนชะเพราะไม่หวั่นไหวด้วยอวิชชาหนึ่งจิตที่ถึงความสว่างแล้วชื่อว่าอนเนนชะ เพราะไม่หวั่นไหวด้วยความมืดคืออวิชชาหนึ่งอนเนเชาเหล่านี้ชื่อว่ามูลสิบหกแห่งริทย่อมเป็นไปเพื่อความได้ริจจนถึงเพื่อความกล้าๆทางริจอันที่จริงความข้อนี้สําเร็จแล้วแม้ด้วยคําเป็นต้นว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วอย่างนี้เป็นต้นแม้ก็จริงแต่กระนั้น ท่านก็กล่าวไว้อีกเพื่อแสดงว่าปฐมฌานเป็นต้นเป็นภูมิเป็นบาทเป็นบทและเป็นมูลของฤทธิ์อันหนึ่งนัยยก่อนเป็นนัยยะที่มาในพระสูตรส่วนนัยยะนี้มาในปฏิสัมพิธาการที่ท่านกล่าวไว้อีกก็เพื่อจะมิให้ฉงฉนในข้อความทั้งสองดังกล่าวมาแล้วแล คำว่าอธิษฐานด้วยญาณมีอธิบายว่าก็ประโยชนขี่นี้นั้นบำเพ็ญธรรมอันเป็นภูมิเป็นบาทเป็นบทและเป็นมูลแหง่งฤทธิ์เหล่านี้ให้ถึงพร้อมแล้วจึงเข้าฌานมีอภิญญาเป็นบาทออกแล้วหากเธอต้องการจะนิริมิตรตนเองให้เป็นคนร้อยคนก็ต้องทำบริกรรมว่าสตังโหมิสตังโหมิ เราจงเป็นคนร้อยคนเราจงเป็นคนร้อยคนเถิดแล้วเข้าชานอภินยาเป็นบาทอีกออกแล้วจึงอธิษฐานเธอพร้อมกับจิตที่อธิษฐานแล้วก็จะเป็นคนร้อยคนขึ้นมาทันทีแม้จะให้เป็นคนหนึ่งพันคนก็ทำตามแบบนี้แหละถ้าหากเมื่อเธอทำอย่างนี้แล้วไม่สำเร็จต้องทำบริกรรมใหม่เข้าสมาบัติ ซ้เป็นครั้งที่สองอีกออกแล้วจึงอธิษฐานเถิดแต่ในอัธกถาสังยุตตานิกายกล่าวไว้ว่าจะเข้าครั้งเดียวหรือสองครั้งก็ใช้ได้ในการอธิษฐานจิตนั้นจิตซึ่งมีฌานเป็นบาทมีนิมิตเป็นอารมณ์จิตที่บริกรร ม, มีร้อยคนหรือพันคนเป็นอารมณ์ก็ได้ แต่ก็อารมณ์เหล่านั้นแหลเป็นด้วยอำนาจวันนะมิใช่ด้วยอำนาจบัญญัติแม้จิตอธิษฐานมีคนต้องร้อยคนหรือตั้งพันคนเป็นอารมณ์ก็เหมือนกันจิตนั้นดุจอั ป, ปนาจิตซึ่งกล่าวแล้วในก่อนเกิดดวงเดียวเท่านั้นรองจากโคตรภูยานนับเข้าเป็นชานที่สี่ชั้นรูปาวจร ก็แม้คาใดที่ท่านพระสาวริบุเทระกล่าวไว้ในปฏิสัมพิธามักว่าตามปกติคนคนเดียวนึกให้เป็นหลายคนคือตั้งร้อยคนตั้งพันคนหรือตั้งแสนคนครั้นนึกแล้วก็อธิฐานด้วยญาณว่าพระหุโกโหมิเราจงเป็นคนมากคนดังนี้ย่อมกลายเป็นคนมากคนได้เหมือนอย่างท่านพระจุลปันธะกะ ในคำนั้นคำว่านึกท่านกล่าวไว้ในปฏิสัมพิธามักนั้นด้วยสามารถแห่งการบริกรรมนั่นและคำว่าครั้นนึกแล้วจึงอธิษฐานด้วยญาณท่านกล่าวแล้วด้วยอำนาจแห่งอภิญญายาณเพราะเหตุนั้นพระโยคีนึกให้เป็นมากคนอยู่ต่อแต่นั้นไปจึงเข้าสมาบัตในที่สุดแห่งจิตบริกรรมเหล่านั้น ออกจากสมาบัติแล้วจึงนึกว่าเราจงเป็นคนมากคนอีกเบื้องหน้าแต่นั้นจึงอธิษฐานด้วยอภิญญาญานดวงหนึ่งซึ่งได้นามว่าอธิษฐานด้วยอำนาจที่เป็นเหตุให้สําเร็จอันเกิดขึ้นในระหว่างแห่งจิตที่เป็นบุพภพ า, ภาคษสามหรือสี่ดวงซึ่งเป็นไปแล้วนักศึกษาพึงเข้าใจความหมายในพระบาลีปฏิสัมพิทานี้ ดังอธิบายมานี้แหละอันหนึ่งคำใดซึ่งได้กล่าวไว้ว่าเหมือนอย่างท่านจุนลปันธกะดังนี้คำนั้นท่านกล่าวไว้แล้วเพื่อชี้ประจักษ์พยานแห่งการอธิษฐานให้เป็นคนมากคนได้ก็ข้อความอันนั้นควรยกเรื่องขึ้นแสดงประกอบดังนี้ เรื่องพระจุลปันธกะเล่าสืบต่อกันมาว่าพี่น้องทั้งสองคนนั้นได้ชื่อว่าปันธกะเพราะท่านเกิดในหนทางท่านทั้งสองคนนั้นคนพี่ชื่อว่ามาหาปันธกะท่านมาหาปันธกะนั้นบวชแล้วได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่ประการพอท่านเป็นพระอรหันต์แล้ว จึงให้น้องชายผู้ชื่อว่าจุลปันตกะบวชบ้างได้ให้ท่องคาถานิว่าัทุมังยัถาโกกนุษทงังสุขันธังป่าโตศิยาพุลมะวีตะคันธังอังคารีสังปัสังวิโรจมานังตบปันตมาทิจามีวันตะลิเคแปลเป็นไทยว่าดอกบัวโกกนุษย์กลิ่นหอมบานแต่เช้าไม่ไร้กลิ่นชันใด เจ้าจงดูพระอังคีรสาเจ้าพระองค์ผู้ไพรโร์เจิดจ้าปานดวงพระอาทิตย์ทอแสงอยู่ในอากาศฉะนั้นภาวนาท่องคาถานี้ตั้งสี่เดือนพระจุลปันธกานั้นก็ไม่สามารถจะท่องคาถานี้ให้คล่องได้เวลาผ่านมาพระเทระจึงกล่าวกับเธอว่าเธอเป็นคนอาภัพในพระศาสนาจึงขับออกจากวัด ก็ในเวลานั้นพระเทระเป็นพัตตุเทศหมอชีวะกะหรือหมอชีวกเข้าไปหาพระเทระแล้วเรียนว่าท่านขอรับพรุ่งนี้ขอพระคุณท่านนิมนต์พาภิกษุห้าร้อยรูปพร้อมทั้งพระผู้มีพระภาคไปรับภิกษณในเรือนของพวกกระผมด้วยเถิดแม้พระเทระรับนิมนต์แล้วว่าเรารับนิมนต์เพื่อภิกษุที่เหลือเว้นท่านจุนลปันตกะเสีย พระจุลปันธกะจึงยืนร้องไห้ที่ซุ้มประตูพระผู้มีพระภาคทรงเล็งดูทราบด้วยทิพยจักษุญานสเสด็จเข้าไปหาเธอแล้วตรัสถามว่าร้องไห้ทําไมเธอกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้วพระผู้มีพระภาคต ร, รัสว่าภิกษุที่ไม่สามารถจะท่องจําหนังสือได้จะลงมติว่าเป็นผู้อาภาัพในศาสนาของเรานั้นไม่ถูก อย่าเศร้าโศกไปเลยนะเธอดังนี้แล้วทรงจับแขนพระจุลปันตกะพาเข้าไปอย่างพระวิหารทรงเนรมิตรท่อนผ้าผืนเก่าขึ้นผืนหนึ่งด้วยฤิษานุภาพแล้วได้ประทานให้ด้วยทรงกําชับว่าเอาเถอะภิกษุเธอจงลูกคลาผืนผ้านี้แล้วทำการท่องอยู่ในใจบ่อยๆว่าระโชหระรนังระโชหรนังผ้าสาหรับเช็ดทุลี ผ้าสำหรับเช็ดธุลีดังนี้เมื่อเธอทำอยู่อย่างนั้นผ้านั้นได้กลายเป็นสีดำเธอจึงกลับได้สติว่าผ้าผืนนี้เดิมเป็นผ้าสะอาดความเศร้ามองในผ้าผืนนี้ไม่มีแต่นี่เป็นความเศร้ามองที่เกิดจากอัตภาพแท้ดังนี้แล้วจึงพิจารณาอย่างรู้ลงไปในขันห้าเจริญวิปัสสนา ได้บรรลุญาณอันใกล้โคตรภูญาณให้ถึงอนุโลมยานลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสพระโอภาษขาถาแก่เธอว่าราคะเรียกชื่อว่าทุลีไม่เรียกว่าละอองคำว่าทุลีนี้เป็นชื่อของราคะบัณฑิตละทุลีนี้แล้ว ท่านเหล่านั้นย่อมอยู่ในพระศาสนาของพระศาสดาผู้ปรศจากทุลีและโดยนัยเดียวกันในที่นี้ท่านยอ่อไว้นะครับคือโทสะจนถึงโมหะเรียกชื่อว่าทุลีแต่ไม่เรียกว่าละอองคำว่าทุลีนี้เป็นชื่อของโมหะบัณฑิตละโมหะนิขาดแล้วท่านเหล่านั้นย่อมอยู่ในพระศาสนาของพระศาสดาผู้ปรศจากทุลี ในที่สุดแห่งพระคาถาพระจุลปันธ ก, กะนั้นมีโลกุจระธรรมก้าซึ่งมีปฏิสัมพิทาสีและอภิญญาหกเป็นบริวารอยู่ในเงื้อมมือแลในวันที่สองพระสัส ด, สดาได้เสด็จไปบ้านของหมอชีวกพร้อมด้วยหมู่ภิกษุครั้นในที่สุดน้ำทักษีโนโทกเมื่อจะถวายข้าวยาคูพระสัส ด, สดาทรงปิดบาดด้วยพระหัต หมอชีวกจึงกราบทูลถามว่าอะไรพระเจ้าค่าตรัสว่าในวิหารยังมีภิกษุอยู่อีกรูปหนึ่งหมอชีวกนั้นใช้คนใช้ไปว่าเจ้าจงไปนิมนต์พระผู้เป็นเจ้ามาโดยเร็วแต่เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากพระวิหารพระจุลรปันทกะนิรมิตตนให้เป็นคนได้ตั้งพันคน นั่งในสวนมะม่วงอันร่มรื่นจนถึงเวลาเขามานิมนต์ครั้นบุรุษนั้นไปแล้วเห็นอารามเหลืองเป็นอันเดียวกันด้วยผ้ากาสาวะจึงรีบกลับมากราบทูลว่าพระเจ้าค่ะอารามเต็มไปด้วยหมู่ภิกษุข้าพระองค์ไม่ทราบว่ารูปไหนคือพระผู้เป็นเจ้าที่ว่านั้นครานั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสบอกแก่เธอว่าไปอีกครั้ง ครานี้เธอเห็นรูปใดก่อนจงจับรูปนั้นที่ชายจีวอนแล้วบอกว่าพระศ ส, สดารับสั่งหาท่านแล้วจงนําพามาบุรุษนั้นไปแล้วได้จับที่ชายจีวอนของพระเทระไว้จนมัน่นภิกษุที่เธอนิริมิตขึ้นทั้งหมดก็หายวับไปโดยฉับพลันพระเทระจึงใช้ให้บุรุษนั้นล่วงหน้าไปก่อนว่าไปเถิดนะท่าน แล้วทําการชาระร่างกายมีล้างหน้าเป็นต้นเสร็จแล้วไปนั่งบนอาสนะที่เขาตระเตรียมไว้เสียก่อนที่ท่านกล่าวว่าตัวอย่างเช่นพระจุลปันธกะก็มีความหมายดังกล่าวมานี้แหละในบรรดาภิกษุเป็นจํานวนมากที่พระจุลปันธกะนิรมิตขึ้นเหล่านั้นมีรูปร่างเช่นเดียวกับพระจุลปันตกะผู้มีฤทธ เพราะท่านนิรมิตขึ้นโดยไม่ได้กาหนดให้มีอาการต่างกันภิกษุมีริททำการยืนหรือนั่งเป็นต้นก็ดีทำการพูดหรือนิ่งเป็นต้นก็ดีใดๆภิกษุนิรมิตเหล่านั้นก็ทำกิริยา น, นั้นๆเหมือนกันก็ถ้าผู้นิรมิตต้องการให้มีรูปร่างต่างๆกันคือบางพวกอยู่ในระดับปฐมวัย บางพวกอยู่ในระดับมัชิมะไวบางพวกอยู่ในระดับปัชิมะไวโดยนิยะนั้นนิรมิตให้พวกหนึ่งมีผมยาวพวกหนึ่งมีศีรษะล้นครึ่งหนึ่งพวกหนึ่งมีศีรษะล้นพวกหนึ่งมีผมงอกประปลายพวกหนึ่งมีจีวรสีแดงปนอยู่ครึ่งหนึ่งพวกหนึ่งมีจีวรสีเหลืองล้วนหรือนิรมิตให้พวกหนึ่งทำกิจวัตร เช่นสวดไปตามบทพระบาลีกล่าวอธิบายธรรมสวดคาถาด้วยทํานองสำรพันยะวิธีถามปัญหาตอบปัญหาเผาบาทย้อมเย็บและซักจีวรเป็นต้นหรือว่าเป็นผู้ประสงค์จะทำภิกษุเนรมิตรให้มีกิริยาต่างๆอย่างอื่นอีกก็ได้ท่านผู้มีฤทธนั้นออกจากฌานอันเป็นบาทแล้วพึงทาบริกรรมโดยวิธีนี้ว่า ภิกษุมีประมาณเท่านี้จงเป็นคนรุ่นปฐ ม, มวัยแล้วเข้าฌานอีกออกแล้วจึงอธิษฐานพร้อมกับจิตที่คิดอธิษฐานภิกษุที่เธอนิรมิตรนั้นย่อมมีกิริยาอาการดังที่ปรารถนาทุกๆุกอย่างทันทีในคำว่าแม้มากคนก็แปลงเป็นคนเดียวได้ก็มีนัยยะเหมือนกันนี้ ส่วนความที่แปลกกันออกไปมีดังต่อไปนี้ภิกษุนี้นิรมิตรให้มากคนอย่างนี้แล้วคิดเห็นว่าเราคนเดียวจากจงกรมจะทำการสวดจกถามปัญหาอีกหรือคิดว่าวิหารนี้มีภิกษุน้อยถ้าหากทายกบางพวกจกมาจะเข้าใจตัวเราว่าภิกษุเหมือนเป็นพิมพ์เดียวตั้งมากมายเช่นนี้จะมีแต่ที่ไหน นี้เป็นอนุภาพของพระเทระเจ้าเป็นแม่นมั่นหรือในระหว่างนั้นต้องการจะเป็นคนคนเดียวก็ได้เพราะมีความปรารถนาน้อยดังนี้จะต้องเข้าฌานเป็นบาตออกแล้วจะทําบริกรรมว่าเอโกโโฮมิเราจงเป็นคนคนเดียวดังนี้แล้วเข้าสมาบัติอีกออกแล้วจึงอธิษฐานว่าเอโกโโฮมิ e เราจงเป็นคนคนเดียวพร้อมกับจิตที่คิดอธิษฐานนั่นแหละเธอจะกลายเป็นคนคนเดียวแต่เมื่อไม่ทำอย่างนั้นจะกลายเป็นคนคนเดียวไปเองด้วยอำนาจการตามที่กาหนดไว้ในบทว่าทําให้แจ้งทําภายนอกดังนี้ความว่าทอาอวิภาพและทําติโรภาพ ท่านหมายเอาฤทธ์ทั้งสองนี้และกล่าวไว้ในปฏิสัมพิทาว่าคำว่าอาวิภาพคือไม่มีอะไรกีดขวางไม่มีอะไรปิดบังเปิดเผยปรากฏชัดคำว่าติโรภาพคือมีบางสิ่งกีดขวางมีบางสิ่งปิดบังปิดไว้ครอบไว้ในสองอย่างนั้นภิกษุผู้มีฤทธินี้ต้องการทำอวิภาพ ย่อมทำที่มืดให้สว่างหรือทําที่ลี้ลับให้เปิดเผยหรือทําที่ไม่ใช่ช่องทางให้เป็นช่องทางทําอย่างไรคือภิกษุผู้มีฤทธนี้ต้องการจะทําตนหรือบุคคลอื่นให้เห็นบุคคลแม้ที่ถูกบางสิ่งปิดบังไว้หรือแม้ยืนอยู่ในที่ไกลต้องออกจัดฌานที่เป็นบาศแล้วําลึกว่าที่มืดนี้จงสว่าง ที่ลี้ลับนี้จงเปิดเผยที่มิใช่ช่องทางนี้จงเป็นช่องทางแล้วทาบริการอธิษฐานตามในยะที่กล่าวแล้วนั่นแหละพร้อมกับจิตที่อธิษฐานก็จะเป็นเหมือนอย่างที่อธิษฐานไว้ทันทีผู้คนอื่นแม้ยืนอยู่ไกล ย, ย่อมเห็นได้ฝ่ายตัวเองต้องการจะเห็นก็เห็นได้ พระพุทธเจ้าทรงทาพระปาฏิหารถามว่าก็ปาฏิหารนี้ใครเคยทำตอบว่าพระผู้มีพระภาคทรงเคยทำมาแล้วจริงอยู่พระผู้มีพระภาคได้ทรงรับนิมนต์จากนางจุลสุพัทธาแล้วเสด็จไปยังกรุงสาเกตอันมีระยะทางเจ็ดโยช น, น, นระยะจากกรุงสาวัตถี ด้วยเรือนยอดห้าร้อยซึ่งวิสุกรรมมเทพบุตรเนรมิตแล้วทรงอธิษฐานให้ชาวเมืองสาเกตเห็นชาวกรุงสาวัตถีและให้ชาวกรุงสาวัตถีเห็นชาวเมืองสาเกตสเสด็จลงในถ้ำกลางพระนครทีเดียวทรงแสดงแยกแผ่นดินออกเป็นสองภาคตราบเท่าถึงอเวจีมหานรกและทรงแสดงแหวกอากาศออกเป็นสองภาคตลอดถึงพรหมโลก ก็ความข้อนี้นักปราดพึงแสดงตัวอย่างแม้ด้วยเรื่องการเสด็จลงจากเทวโลกในยะว่าพระผู้มีพระภาคทรงธทมยมกะปฏิหารทรงปลดเปลื้องสัตว์ 84,000 สพันให้พ้นจากเครื่องจองจำทรงรำพึงว่าพระพุทธเจ้าในอดีตเสด็จไปที่ไหนในที่สุดแห่งยะมะกะปฏิหารได้ทรงเห็นว่าไปสู่ดาวดึง ครั้งนั้นพระองค์ทรงใช้พระบาทข้างหนึ่งเหยียบพื้นปัตตภีแล้วทรงให้พระบาทข้างที่สองประดิษฐานบนยอดภูเขายุคันทอนทรงยกพระบาทข้างแรกอีกแล้วทรงยกเหยียบยอดเขาสิเนรุทรงจำพรรษาบนพื้นบรรดุกรรมพลศิลาอาจบนดาวดึงสวรรค์ น, นั้นทรงเริ่มตรัสแสดงพระอภิธรรมกถาตั้งแต่ต้น แกหมู่เทวดาในหมื่นจักรวาลซึ่งมาประชุมกันในเวลาเสด็จพิกษาจารย์นิรมิตพระพุทธนิมิตแทนพระองค์พระพุทธนิมิตนั้นส่งทำหน้าที่แทนส่งแสดงธรรมแทนพระองค์พระผู้มีพระภาคส่งเคี้ยวไม้ชมระฟันนาคาละดาส่งล้างพระพักที่สะอนดาตแล้วส่งรับบิณฑบาต ในอุตรากุรุทวีปแล้วเสวยที่ริมขอบสะอนุดาตพระสาวรีบุตรเทระไปในที่สะอนุดาตนั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงให้ในยะแก่พระเทระว่าในวันนี้เราแสดงธรรมเท่านี้ทรงแสดงพระอภิธรรมกถาไม่หยุดตลอดสามเดือนด้วยประการชนนี้ เพราะได้ฟังพระอภิธรรมกระฐานั้นหมู่เทวดาจำนวนแปสิบโกรธจึงได้ตรัสรู้พระธรรมบริษัทประมาณส2องโยต์แม้ที่มาประชุมกันในคราแสดงพระยะมกกะปฏิหารได้ตั้งค่ายอยู่ด้วยประสงค์ว่าเราเห็นพระผู้มีพระภาคเสียก่อนเราจึงจากไปจุลละอนาถบินทิกะเศรษฐีคนเดียว บำรุงบริษัทนั้นด้วยปัจจัยทุกอย่างพวกมนุษย์พากันอ้อนวอนถามพระอนุรุทธะเทระเพื่อทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทรับอยู่ที่ไหนพระเทระเจริญอาโลกัตกะสินได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงจำพรรษาในภพดาวดึงนั้นด้วยจักษุเพียงดังทิพย์ครั้นเห็นแล้วจึงแจ้งให้ทราบบริษัทเหล่านั้น อ่อนวอนพระมหาโมคคลานะเทระเพื่อถวายบังคมพระผู้มีพระภาคพระเทระดำลงในแผ่นดินใหญ่ในถ้ำกลางบริษัทนั่นแหละช่ำแรกเขาสินเนรุผุดขึ้นณที่ใกล้พระบาทพระตถาคตถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคอยู่ได้ทูลคานี้กับพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าชาวชมพูทวี ขอกราบถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าเห็นพระศัสดาเสก่อนจึงจักไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมกขลานะเดี๋ยวนี้พระธรรมเสนาบดีผู้เชษฐาดาของเธออยู่ที่ไหนอยู่ในเมืองสังกัตสะพระพุทธเจ้าค่าโมกขลานะผู้ต้องการจะพบเห็นเรา พรุ่งนี้จงมาสู่เมืองสังกัตสะพรุ่งนี้เราจะลงที่เมืองสังกตสะในวันอุโบสถเพนวันมหาปวารณาสาธุพระพุทธเจ้าข่าพระเถระถวายบังคมพระทศพลแล้วลงตามทางที่มาเหมือนเดิมถึงสำนักของพวกมนุษย์ทั้งในเวลาไปและมาท่านอธิษฐานให้มนุษย์ทั้งหลายเห็นท่านอยู่พระมหาโมคลานะเทระ ได้ทำปฏิหารอาวิภาพในการนั้นเป็นครั้งแรกพระมหาโมคลานั้นนั้นมาอย่างนี้แล้วแจ้งความเช่นนั้นมิได้ทำความสำคัญว่าไกลเลยบอกว่ารับประทานอาหารเช้าแล้วจึงออกพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ท้าวสักกะเทวราชว่ามหาบัวพิษพรุ่งนี้อัตมาจะลงสู่มนุษยโลก ท่านสักกะเทวราชจึงบังคับวิสุกรรมเทพบุตรว่าแน่พ่อพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์จะเสด็จลงสู่มนุษยาโลกเธอจงนิรมิตบนไดาสามชนิดคือบรรดหนึ่งเป็นทองคบาบรรดหนึ่งเป็นเงินและบรรดหนึ่งเป็นแก้วมณีวิสุกรรมเทพบุตรได้ทาตามเทวบัญชาทุกอย่างในวันที่สองพระผู้มีพระภาค ประทับยืนบนยอดเขาซิเนรุทรงแลดูโลกกธาตุเบื้องทิศบุรพาจะกััาวานตั้งหลายแสนเปิดโล่งแจ่มแจ้งดุดลานเดียวกันก็ทางทิศบุรพามองเห็นได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งฉันใดแม้ทางทิศปัดชิมก็ดีทิศอุดรก็ดีทิศทักษิณก็ดีก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งทั้งหมดฉันนั้นเบื้องต่ํา มองเห็นถึงอเวจีมหานรกเบื้องบนมองเห็นจนถึงรูปประพรมสันอกนิทภพพูดกันต่อๆมาว่าวันนั้นชื่อว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกฝ่ายพวกมนุษย์ก็เห็นหมู่เทวดาฝ่ายพวกเทวดาก็เห็นหมู่มนุษย์ในเวลาที่จะดูกันนั้นพวกมนุษย์ไม่ต้องแหงนดูข้างบนพวกเทวดา ก็ไม่ต้องก้มดูข้างล่างสัตว์ทุกจําพวกเห็นกันและกันอย่างจังหน้าทีเดียวพระผู้มีพระภาคเสด็จลงโดยบันไดแก้วในถ้ากลางถวยเทพกามาวจรทั้งหกชั้นลงโดยบันไดทองด้านซ้ายมือพวกรหมชั้นสุทาวาสและมหาพรหมลงโดยบันไดเงินด้านขวามือเท้าส ก, กะเทวราชทรงถือบาทและจีวรเท้ามหาพรหม ทรงถือสเสวตฉัดใหญ่ประมาณสามโยน์เท้าสุยามะทรงถือพัดวาลวิชนีปัญจสิกขเทพบุตรผู้เป็นนักระบามถือพินสีเหลืองซึ่งมีสีดุดผลมะตูมใหญ่ประมาณสามขาวุธททำการบูชาพระตถาคตตามเสด็จลงมาในวันนั้นปวงสัตว์ผู้เห็นพระผู้มีพระภาคแล้ว จะไม่เกิดความรักในความเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีพระผู้มีพระภาคได้ทรงทาปาฏิหาริย์อวิภาพในที่นี้ดังนี้แลเรื่องพระธรรมถินะเทระยังมีอีกเรื่องหนึ่งเฉพาะเรื่องพระเทระชื่อว่าธรรมถินะ สำนักตลังคารวิหารในเกาะลังกานั่งในลานพระเจดีย์ในติดสามหาวิหารกล่าวอัปนากัสูตรซึ่งมีความว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสามประการย่อมเป็นผู้ปฏิบัติไม่ผิดทางอยู่เป็นนิดแลได้ความพัดลงเบื้องล่างพื้นที่ได้ราบเป็นอันเดียวกัน ตราบเท่าจนถึงอเวจีมหานรกแต่นั้นได้หงพัดขึ้นเบื้องบนอากาศได้โปร่งเป็นอันเดียวกันตลอดถึงพรงมโลกพระเทระแสดงธรรมสำทับด้วยภัยในนรกก่อให้หลงด้วยความสุขในสวรรค์อยู่บางพวกได้เป็นพระโสดาบันบางพวกได้เป็นพระสกท า, าคามีบางพวกได้เป็นพระอนาคามีและบางพวกได้เป็นพระอรหันต์แล ก็แลพระโยคีผู้ต้องการทำติโรภาพย่อมทำที่สว่างให้มืดหรือทำที่ไม่กำบังให้เป็นที่กำบังทำที่เป็นทางมิให้เป็นทางทำอย่างไรคือพระโยคีนี้ต้องการทำตนหรือผู้อื่นแม้ไม่มีอะไรบงังหรือยืนอยู่เล่กลายกันก็มองไม่เห็นได้โดยออกจากชานที่เป็นบาทแล้วรำเพึงอยู่ว่า ที่สว่างนี้จงเป็นที่มืดเถิดหรือว่าที่ไม่กำบังนี้จงกลายเป็นที่กำบังหรือว่าที่เป็นช่องทางนี้จงเป็นที่ที่คนมองไม่เห็นเถิดแล้วทำบริกรรมอธิษฐานตามเนื้อความที่ได้กล่าวแล้วนั่นแหละพร้อมกับจิตที่อธิษฐานนั้นก็จะกลายเป็นเหมือนอย่างที่อธิษฐานทุกประการโดยฉับพลันชนเหล่าอื่นแม้ยืนอยู่ใกล้ก็แลไม่เห็น ไม่ต้องการจะเห็นแม้ตัวของตัวเองก็ไม่เห็นถามว่าก็ปฏิหารนี้ใครเคยทำมาตอบว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงเคยทำมาจริงอยู่พระผู้มีพระภาคได้ทรงทำยสะกุลบุตรผู้ซึ่งนั่งในที่ใกล้แท้แท้มีให้บิดาพบเห็นได้อันหนึง่ง พระผู้มีพระภาคทรงทําการลุกรับแก่พระมหากัปปินะสิ้นหนทางระยะหนึ่งยสโยชน์ทำมหากัปปินะนั้นให้ตั้งอยู่ในอนาคามิผลและทําอามาตพันคนของเท้าเธอให้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลพระนางอโนชาเทวีมีหญิงพันคนเป็นบริวารมาตามทางพระมหากัปปินะนั้นแม้มันนั่งอยู่ในที่ใกล้ พระองค์ยั ง, งทรงทํำ ม, มิให้เห็นพระราชาพร้อมทั้งบริษัทเมื่อพระนางทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงเห็นพระราชาบ้างหรือไม่จึงตรัสว่าก็ท่านจะสแสวงหาพระราชาดีหรือหรือว่าสแสวงหาตนดีกว่าพระนางจึงกราบทูลว่าสแสวงหาตนดีกว่าพระเจ้าข่าดังนี้ จึงทรงแสดงธรรมเหมือนอย่างนั้นแก่พระนางอโนชาเทวีผู้ประทับนั่งเรียบร้อยแล้วนั้นในพระนางนั้นรวมทั้งหญิงพันคนดำรงอยู่ในโสดาปฏิพันให้พวกอมาตะดำรงอยู่ในอนาคามิผลให้พระราชาดำรงอยู่ในอรหัตผลแลอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของมหินทะเทระ ผู้เมื่อทำมิให้พระราชาเห็นชนที่เหลือซึ่งมากับตนในวันที่มาสู่เกาะลังกาชื่อว่าทำปฏิหาริยติโรภาพนี้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งปาฏิหาริที่ปรากฏแม้ทุกอย่างชื่อว่าอาวิภาพปาฏิหาริที่ไม่ปรากฏทุกอย่างชื่อว่าติโรภาพบรรดาปาฏิหาริทั้งสองประเภทนั้น สำหรับปาฏิหาริย์ที่ปรากฏคือฤทธิ์ที่ปรากฏคนมีฤทธิ์ก็ปรากฏเช่นกันข้อนั้นพึงแสดงเรื่องยมกะปาฏิหาริย์เป็นตัวอย่างจริงอยู่พระตถาคตทรงทำยมกะปาฏิหาริย์อันมิได้ทั่วไปแก่พระสาวกทั้งหลายในการนี้ในสมาคมนั้นปาฏิหาริย์ทั้งสองอย่างปรากฏแล้วอย่างนี้คือ กองไฟเป็นไปแต่พระกายเบื้องบนสายน้ำเป็นไปแต่พระกายเบื้องล่างสำหรับปฏิหารที่ไม่ปรากฏยอมปรากฏเฉพาะฤทธิ์เท่านั้นส่วนผู้มีฤทธิ์หาปรากฏไม่ข้อนั้นพึงแสดงด้วยมหกะสูตรและพรหมนิมันตนิกสูตรจริงอยู่ในที่นั้นฤทธิ์ของท่านพระมหามหกะ ละของพระผู้มีพระภาคปรากฏแล้วแต่ท่านผู้แสดงฤทธิ์ไม่ปรากฏสมดังคาที่ท่านกล่าวไว้ว่าท่านจิตตะครหบวดีนั่งอยู่ส่วนข้างหน้าแล้วกล่าวกับท่านพระมหากะว่าท่านขอรับกระผมขอโอกาสคือขอพระเป็นเจ้ามหากะจงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมะชั้นเยี่ยมของมนุษย์แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิด พระมหากะกล่าวว่าคาริหบพดีถ้าอย่างนั้นท่านจงให้คนปูผ้าอุตราสงตรงที่ระเบียงแล้วเกลี่ยฟ่อนหญ้าเอาไว้อย่างนั้นหรือขอรับท่านจิตต์คาหะพดีพูดจบก็รับปฏิบัติตามคำของท่านมหกะใช้คนปูผ้าอุตราสงเข้าตรงที่ระเบียงเกลี่ยฟ่อนหญ้าไว้แล้วต่อจากนั้นแลท่านพระมหากะก็เข้าไปสู่วิหาร บรรดาอิทธาพิสังขารเช่นนั้นให้เป็นเปลวไฟออกมาทางช่องลูกดานและช่องระหว่างลิ่มทำย้าให้ไหมแล้วแต่ไม่ให้ผ้าอุตราสงไหมอีกอย่างหนึ่งสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วว่าภิกษุทั้งหลายระยะนั้นแหลเราบรรดาอิทธาพิสังขารเช่นนั้นว่า ขอให้พระพรมและบริษัทของพระพรมและพรมปาริษัทชาจงได้ยินเสียงของเราแต่ก็อย่าได้เห็นเราเลยด้วยเหตุเพียงเท่านี้ดังนี้ทรงหายไปแล้วได้ตรัสประคาถานิว่าเราเห็นภัยในภพอย่างชัดเจนเห็นภพและเห็นสัตว์ผู้สแสวงหาความปราศจากภพจึงไม่ติดใจไม่เพลิดเพลิน และไม่ยึดมั่นถือมั่นพบเอาไว้เลยในข้อพระบาลีว่าทะลุไปข้างนอกฝานอกกำแพงนอกภูเขาได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างเปล่านี้มีอธิบายความว่าคำว่านอกฝาคือฟากฝาอธิบายว่าส่วนฟากข้างโน้นแห่งฝา ในบทนอกจากนี้ก็มีความหมายอย่างนี้เหมือนกันก็คําว่าฝานี้เป็นชื่อของฝาเรือนชื่อว่ากําแพงได้แก่กําแพงที่ล้อมเรือนวัดหรือหมู่บ้านเป็นต้นชื่อว่าภูเขาได้แก่ภูเขาดินหรือภูเขาหินคําว่าทะลุไม่มีติดคือไม่ขัดข้องคําว่าเหมือนที่ว่าง คือเหมือนในกลางอากาศก็พระโยคยีผู้มีความประสงค์ในการไปดังนั้นเข้าอากาศสักสินออกแล้วรำพึงถึงฝาหรือกำแพงหรือภูเขาแห่งใดแห่งหนึ่งแม้เป็นภูเขาซิเนรุหรือภูเขาจักรวาลก็ได้ทําบริกรรมแล้วพึงอธิษฐานว่าอากาศโสโหตุขอจงเป็นที่ว่างดังนี้ ฝาเป็นต้นย่อมกลายเป็นที่ว่างได้ทันทีเมื่อต้องการจะลงข้างล่างหรือต้องการจะขึ้นข้างบนก็จะเป็นโพรงไปได้เมื่อต้องการจะทะลุไปก็เป็นช่องให้ไปได้พระโยคีจะทะลุไปในที่นั้นได้โดยไม่ติดขัดเลยฝ่ายพระจุลาพยะเทระผู้ทรงพระไตปิดกกล่าวแย้งในข้อนี้ว่าอาวุโส ก็การเข้าอากาศสักสินมีประโยชน์อย่างไรมิหน้าประโยคีผู้ต้องการนิมิตช้างมาเป็นต้นมิต้องเข้ากะสินช้างากะสินมาเป็นต้นหรือก็ความเป็นผู้ทำบริกรรมในกะสินอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วชำนาญในสมาบัตแ8เท่านั้นเป็นสําคัญมิใช่หรือเหตุนั้นต้องการจะเข้ากะสินอย่างใดจงเข้ากสินอย่างนั้นเถิด พวกภิกษุจึงพากันกล่าวแย้งว่าท่านขอรับอาการสักศีลเท่านั้นมาในพระบาลีเหตุนั้นการเข้าอากาศสักศีล น, นั่นจึงควรกล่าวได้โดยแท้ในการอธิษฐานให้เป็นที่ว่างนั้นมีพระบาลีดังต่อไปนี้คือตามปกติพระโยคีผู้ได้อากาศสกศินสมาบัดย่อมรำพึงถึงภายนอกฟ้า ภายนอกกำแพงภายนอกภูเขาครั้นนึกถึงแล้วย่อมอธิษฐานด้วยญาณว่าอากาโสโหตุขอจงเป็นที่ว่างเถิดดังนี้ก็จะกลายเป็นอากาศที่ว่างสมหวังเธอย่อมไปไมิได้ติดขัดทั้งภายนอกฝาภายนอกกำแพงภายนอกภูเขาโดยปกติมนุษย์ผู้ไม่มีฤทธ จะไปได้ในที่เฉพาะไม่มีอะไรติดขัดไม่มีอะไรขวางกัน้นไม่มีอะไรปิดบังฉันใดภิกษุผู้มีฤทธนั้นก็เหมือนกันฉันนั้นเป็นผู้มีความชำนาญทางใจไปไหนก็ไม่ติดขัดทั้งภายนอกฝาภายนอกกำแพงภายนอกภูเขาเหมือนไปในที่ว่างฉันนั้นถามว่าก็ถ้าเมื่อภิกษุนั้นอธิษฐานแล้วไปอยู่อย่างนั้น เกิดมีภูเขาหรือต้นไม้ผุดขึ้นกั้นในระหว่างทางเธอจะต้องเข้าสมาบัติและอธิษฐานอีกหรือไม่ตอบว่าโทษในการที่จะเข้าสมาบัติและอธิษฐานอีกนั้นย่อมไม่มีเพราะว่าการเข้าสมาบัติและอธิษฐานใหม่อีกย่อมเป็นเหมือนกับการถือนิสัยในสำนักของพระอุปัชาก็เพราะภิกษุนิอธิษฐานแล้วว่า จงเป็นที่ว่างดังนี้ก็คงเป็นที่ว่างดังหมายอีกนั่นแหละด้วยกําลังการอธิษฐานคราวแรกของพระโยคีนั้นภูเขาหรือต้นไม้อื่นจะเกิดผลขึ้นตามฤดูในระหว่างทางดังนี้เป็นฐานะที่มีไม่ได้เลยการนิรมิตคราวแรกย่อมมีกําลังกว่าริดอื่นที่ผู้มีฤทธิ์นิรมิตขึ้นแล้วอันการนิรมิตนอกจากนี้ จะต้องเป็นไปข้างบนหรือข้างล่างแห่งการนิรมิตที่แรกนั้นในบทพระบาลีว่าทําการผุดขึ้นและดำลงแม้ในแผ่นดินนี้มีอธิบายว่าการโผล่ขึ้นเรียกว่าการผุดขึ้นการจมลงเรียกว่าการดำลงการโผล่ขึ้นและดำลงเรียกว่าการดำผุด พระโยคยีผู้ต้องการทำให้เป็นอย่างนั้นเข้าอาปโปกสินออกแล้วกำหนดว่าแผ่นดินในที่ประมาณเท่านี้จงเป็นน้ำทาบริกรรมแล้วพึงอธิษฐานตามนัยยะดังที่ได้กล่าวแล้วแลพร้อมกับด้วยการอธิษฐานแผ่นดินในที่ตามที่ได้กำหนดไว้ย่อมกลายเป็นน้ำทันทีเธอจึงทำการดำผุดในน้ำนั้นในการอธิษฐานให้เป็นน้านั้น มีพระบาลีดังต่อไปนี้คือตามปกติพระโยคีผู้ได้อาปโปกสินสมาบัติรำพึงถึงแผ่นดินครั้นรำพึงแล้วจึงอธิษฐานด้วยญาณว่าอุทธกังโหตุจงเป็นน้ำดังนี้แผ่นดินย่อมกลายเป็นน้ำทันทีเธอจึงทำการดำผุดในแผ่นดินตามปกติพวกมนุษย์ที่ไม่มีฤทธ ยอมทำการดำผุดในน้ำได้ฉันใดภิกษุผู้มีฤทธนั้นเป็นผู้มีความชำนาญทางใจยอมทำการผุดในแผ่นดินคล้ายในน้ำได้ฉันนั้นและมิใช่จะทำได้แต่เพียงการดำผุดเท่านั้นยังทำการอาบดื่มล้างหน้าและล้างสิ่งของเป็นต้นตามที่ตนปรารถนาจะทำได้อีกด้วยและมิใช่จะอธิษฐานให้เป็นน้ำได้อย่างเดียว ถ้าต้องการเนยใสน้ำพึ่งน้ำมันน้ำอ้อยเป็นต้นก็นึกอธิษฐานให้สิ่งของนั้นๆเป็นสิ่งนี้นี้และมีประมาณเท่านี้แล้วทำบริกรรมอธิษฐานอยู่ย่อมเป็นสมดังอธิษฐานทีเดียวเมื่อยกขึ้นใส่ไว้ในภาชนะเนยใสก็คงเป็นเนยใสน้ำมันเป็นต้นก็คงเป็นน้ำมันเป็นต้นน้ำก็คงเป็นน้ำตามเดิม เธอต้องการจะให้น้ำนั้นเปียกก็เปียกไม่ต้องการจะให้เปียกก็ไม่เปียกและแผ่นดินนั้นย่อมเป็นน้ำเฉพาะท่านผู้มีฤทธิ์เท่านั้นสำหรับชนที่เหลือก็คงเป็นแผ่นดินเหมือนเดิมที่แผ่นดินนั้นมนุษย์ทั้งหลายจะเดินก็เดินไปได้จะไปด้วยยานพาหนะก็ทำได้จะทำกสิกรรมก็ทำได้ก็ถ้าภิกษุ ผู้มีฤทธิ์นี้ปรารถนาว่าจะเป็นน้ำแม้แก่ชนเหล่านั้นเท่านั้นก็เป็นได้ดังปรารถนาแต่ครั้นล่วงการที่กำหนดไว้แล้วเว้นน้ำตามธรรมดาในหม้อและบึงเป็นต้นนั้นเสียสถานที่ที่ท่านผู้มีฤทธิ์กำหนดไว้ย่อมคืนเป็นแผ่นดินดังเดิมในบทพระบาลีว่าเดินไปบนน้ำที่ไม่แตกนี้ มีอธิบายว่าน้ำที่เรียกว่าแยกแตกออกจากกันเพราะบุคคลเหยียบแล้วจมลงน้ำที่ตรงกันข้ามเรียกว่าไม่แยกแตกออกก็พระโยคีผู้ต้องการจะไปโดยอาการอย่างนั้นต้องเข้าปัทวีกสินออกแล้วกาหนดว่าน้ำในที่ประมาณเท่านี้จงกลายเป็นดินดังนี้แล้วพึงทำบริกรรมอธิษฐาน ตามนัยยะดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนั่นแหละพร้อมกับด้วยการอธิษฐานน้ำตามสถานที่ท่านผู้มีฤทธิ์กำหนดไว้ย่อมกลายเป็นดินดังปรารถนาท่านผู้มีฤทธิ์ย่อมเดินไปบนน้ำนั้นได้ในการอธิษฐานให้เป็นดินนั้นมีพระบาลีดังต่อไปนี้คือ ตามปกติภิกษุผู้ได้ปัทวีกสินสมาบัตินึกถึงน้ำรันนึกแล้วจึงอธิษฐานด้วยยานว่าปัทวีโหตุขอจงเป็นดินดังนี้น้ำก็กลายเป็นดินได้เธอย่อมเดินไปบนน้ำที่ไม่แตกได้ตามปกติพวกมนุษย์ผู้ไม่มีริทย่อมเดินไปบนแผ่นดินที่ไม่แตกได้ชั้นใดภิกษุ ผู้มีฤทธิ์นั้นมีความชำนาญทางใจย่อมเดินไปบนน้ำที่ไม่แตกได้เหมือนเดินไปบนแผ่นดินฉันนั้นและมิใช่แต่จะเดินไปเท่านั้นยังจะเคลื่อนไหวอิริยาบทตามที่ตนปรารถนาได้อีกด้วยและมิใช่แต่จะนึกอธิษฐานให้เป็นแผ่นดินได้อย่างเดียวเท่านั้นยังจะนึกอธิษฐานให้เป็นแก้วมณีทองคําภูเขาและต้นไม้เป็นต้นอย่างไรก็ได้ ตามที่ตนปรารถนาดังที่ได้กล่าวมาแล้วน้ำที่อธิษฐานแล้วย่อมเป็นดังอธิษฐานและน้ำนั้นย่อมเป็นดินสำหรับผู้มีฤทธิ์เท่านั้นเป็นน้ำตามเดิมแก่คนที่เหลือปลาเต่าและสัตว์ที่เกิดในน้ำเป็นต้นย่อมอยู่อาศัยได้ตามสบายก็ถ้าท่านผู้มีฤทธิน์นี้ต้องการจะทำน้ำนั้น ให้กลายเป็นดินสำหรับพวกมนุษย์อื่นก็ย่อมทำได้เหมือนกันแต่น้ำที่ถูกอธิษฐานให้เป็นดินนั้นจะกลายเป็นน้ำตามเดิมก็ต่อเมื่อพ้นจากเวลากำหนดอธิษฐานไว้แล้วคำว่าก้าวไปด้วยบัลลังคือไปได้ทั้งคู่บรลลังเหมือนอย่างนกมีปีกชื่อว่านกมีปีก คือนกประกอบด้วยปีกทั้งหลายก็พระโยคีผู้มีความต้องการจะทำอย่างนี้พึงเข้าปัทวีกสินออกแล้วถ้าต้องการจะเป็นผู้นั่งไปต้องกะที่ประมาณเท่าบัลลังทำบริกรรมแล้วจึงอธิษฐานตามในยะดังที่ได้กล่าวแล้วนั่นแลถ้าต้องการจะเป็นผู้นอนไปต้องกำหนดที่ประมาณเท่าเตียงถ้าต้องการจะไปด้วยเท้า ต้องกำหนดที่ประมาณเท่าหนทางกำหนดที่ตามเหมาะสมอย่างนี้แล้วจึงอธิษฐานว่าปัทวีโหตุจงเป็นดินตามวิธีการที่กล่าวแล้วนั่นแหลพร้อมกับด้วยการอธิษฐานอากาศนั้นย่อมกลายเป็นดินได้ทันทีการคูบันลังเดินไปในอากาศได้นั้นมีพระบาลีดังต่อไปนี้ว่า ท่านผู้มีฤทธิ์ย่อมไปได้ด้วยบรนลังในอากาศก็ได้เหมือนอย่างนกมีปีกคือตามปกติผู้ได้ปัทวีกสินสมาบัตินึกให้เป็นอากาศครั้นนึกแล้วก็อธิฐานด้วยญาณว่าปัทวีโหตุจงเป็นแผ่นดินดังนี้ย่อมกลายเป็นแผ่นดินได้ในอากาศอันเว้งวางนั้นท่านผู้มีฤทธิ์นั้นจะเดินก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้ สำเร็จการนอนก็ได้ตามปกติบนแผ่นดินพวกมนุษย์ที่ไม่มีริ์ย่อมจงกรมได้เป็นต้นสำเร็จการนอนก็ได้ฉันใดภิกษุผู้มีริ์นั้นมีความชำนาญทางใจย่อมเดินก็ได้เป็นต้นจนถึงสำเร็จการนอนก็ได้เพราะอะไรเพราะในอากาศเว้งว้างเหมือนกันคือเหมือนกับดินฉันนั้น ก็ภิกษุผู้ต้องการจะไปในอากาศต้องเป็นผู้ได้ที่พยาจักสุด้วยเพราะอะไรเพราะจะได้เห็นภูเขาหรือต้นไม้เป็นต้นที่มีฤดูเป็นสมุดฐานหรือที่พวกนาคและสุบรนเป็นต้นริษยานิร밋ขึ้นในระหว่างถามว่าเห็นภูเขาเป็นต้นเหล่านั้นแล้วพึงทำอย่างไรตอบว่า ต้องเข้าฌานที่เป็นบาทออกแล้วทำการบริกรรมอธิษฐานว่าอากาโสโหโตุจงเป็นที่ว่างดังนี้แต่พระเทระกล่าวว่าอาวุโสการเข้าสมาบัติจะมีประโยชน์อะไรจิตของภิกษุนั้นมั่นคงอยู่แล้วไม่ใช่หรือเพราะเหตุนั้นสถานที่ที่เธออธิษฐานว่าจงเป็นที่ว่าง ก็ต้องเป็นที่ว่างได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าท่านจะกล่าวววาอย่างนี้ก็จริงแต่ก็พึงปฏิบัติตามในยะที่ท่านกล่าวไว้แล้วในติโรกุณทปาติหารซ้ำอีกอันหนึ่งท่านผู้ไปได้ในอากาศนี้จะต้องได้ทิพย์ยจักสุทั้งนี้ก็เพื่อลงไปในโอกาสอันเหมาะสมเพราะถ้าเธอลงไปในที่ไม่เหมาะสม จะเป็นท่าน้ำหรือประตูบ้านก็ตามเธอก็จะปรากฏแก่มหาชนเพราะฉะนั้นเธอแลเห็นด้วยที่พญาจักษุแล้วเว้นจากที่อันไม่เหมาะสมเสียลงแต่ที่อันเหมาะสมเท่านั้นแหละใช้มือคลาพระจันทร์และพระอาทิตย์ในข้อว่า เอาฝ่ามือจับคลมพระจันทร์และพระอาทิตย์แม้เหล่านี้อันมีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้มีอธิบายว่าพึงทราบว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ชื่อว่ามีฤทธิ์มากเพราะโคจรไปข้างบนได้สี่หมื่นสองพันโยและชื่อว่ามีอนุภาพมากเพราะทำแสงสว่างในขณะเดียวกันทั่วทั้งสามทวีปอีกในยะหนึ่งประจันร์และพระอาทิตย์ ชื่อว่ามีฤทธิ์มากเพราะโคจรไปข้างบนและทำความสว่างสวัยอย่างนี้ได้และชื่อว่ามีอนุภาพมากเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่มีฤทธิ์มากนั่นเองคำว่าจับคือจับต้องหรือถูกเฉพาะในที่ส่วนหนึ่งคำว่าคลำคือลูบคลำไปรอบๆบดุดคลำพื้นแว่นหรือกระจก ก็ริชนิดนี้ย่อมเป็นผลสำเร็จแก่พระโยคีนี้ก็ด้วยอํานาจฌานที่มีอภิญญาเป็นบาทอย่างเดียวสำหรับริชนิดนี้ไม่ต้องมีการเข้ากสินสมาบัติสมดังที่ท่านพระสารีบุตรเทระกล่าวไว้ในคำพีปฏิสัมพิธามักว่าคำว่าเอาฝ่ามือจับรูปคลำพระจันทร์และพระอาทิตย์แม้เหล่านี้อันมีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ มีอธิบายว่าท่านผู้มีฤทธิ์ในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความชมนานาญทางใจนึกถึงพระจันทร์และพระอาทิตย์ครั้นนึกแล้วจึงอธิษฐานด้วยญาณว่าหัตถปาเสโฮนตุจงอยู่ในอุ้งมือดังนี้พระจันทร์และพระอาทิตย์เหล่านั้นย่อมอยู่ในอุ้งมือทีเดียวท่านผู้นั้นจะนั่งหรือนอนก็ตาม ย่อมเอามือจับต้องลูกคลำพระจันทร์และพระอาทิตย์ได้เสมอตามปกติพวกมนุษย์ผู้ไม่มีฤทธิ์ยอมจับต้องลูกคลำสิ่งของบางอย่างในอุ้งมือได้ฉันใดท่านผู้มีฤทธิ์นั้นก็ย่อมลูปคลำพระจันทร์และพระอาทิตย์ได้ฉันนั้นท่านผู้มีฤทธิ์นั้นผีว่าต้องการจะเดินไปจับต้องก็เดินไปจับต้องได้แม้ต้องการจะนั่งหรือนอนจับต้อง ก็อธิษฐานในที่นั้นนั่นแหละว่าจงอยู่ในอุ้งมือด้วยกําลังแห่งการอาธิษฐานพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็จะเป็นดุจผลตาลที่หลุดร่วงจากขั้วมาตกอยู่ในอุ้งมือของท่านผู้มีฤทธิ์และท่านผู้มีฤทธิ์จะลูกคลาหรือจะยื่นมือเป็นลูกคลําก็ย่อมได้ถามว่าก็เมื่อยื่นมือออกไป สิ่งที่มีใจครองยื่นไปหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองยื่นไปตอบว่าสิ่งที่ไม่มีใจครองอาศัยสิ่งที่มีใจครองยื่นไปในข้อนั้นท่านปราจุลนาคาเถระผู้ทรงพระัยปิดกกล่าวไว้ว่าอาวุโสก็สิ่งที่มีใจครองเป็นได้ทั้งเล็กทั้งใหญ่ไม่มีมิใช่หรือเมื่อใดภิกษุ ออกไปโดยช่องลูกดานเป็นต้นเมื่อนั้นสิ่งที่มีใจครองก็เป็นของเล็กเมื่อใดภิกษุทำอัตภาพให้ใหญ่เมื่อนั้นก็เป็นของใหญ่ได้เช่นอัตภาพของพระมหาโมคลานะเทระมิใช่หรือเล่าสืบกันมาว่าในสมัยหนึ่งท่านอนาถบินธิกาคเหรหบดีฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาค แล้วกราบทูล น, นิมนต์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรุ่งนี้ขอพระองค์พร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูปจงรับภิกษาในเรือนของข้าพระองค์เถิดแล้วทูลลากลับไปพระผู้มีพระภาคทรงรับแล้วเวลากลางวันและเวลากลางคืนนั้นผ่านไปในเวลาใกล้รุ่งทรงตรวจดูโลกธาตุหมือนจักรวาลลำดับนั้นพระยานาชื่อว่านันโทปนันทะ ได้ปรากฏในพระยานของพระองค์พระผู้มีพระภาคทรงรำพึงอยู่ว่านาคราชนี้มาปรากฏในยานของเราอุปนิสัยของนาคราชนี้มีหรือไม่เนอจึงทรงเห็นว่านาคราชนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยจึงทรงนึกต่อไปว่าใครหนอจะพึงปลดเปลื้องนาคราชนี้จากมิจฉาทิฏฐิได้ จึงได้ทรงเห็นพระมหาโมคลานะเทระแล้วแต่นั้นครั้นเมื่อราตรีสว่างทรงทำการปฏิบัติสริระแล้วตรัสเรียกท่านพระอนนท์มาทรงรับสั่งว่าอานนท์เธอจงบอกแกภิกษุห้าร้อยรูปให้ทราบว่าตถาคตจะไปเที่ยวเทวโลกก็ในวันนั้นพวกนาคผู้เป็นบริวารได้จัดสถานที่ดื่มสุรา ให้แก่นันโทปนันทะนาคราชเธอมีสวเวตฉัตรเป็นทิพย์ที่เขากั้นไว้บนบันลังแก้วอันเป็นทิพย์มีนักฟ้อนสามพวกและพวกหน้าบริษัทแวดล้อมแล้วได้นั่งแหละดูวิธีจัดแจงอาหารและเครื่องดื่มซึ่งให้เข้าไปตั้งไว้ในภาชนะทิพย์ฝ่ายพระผู้มีพระภาคทรงบันดาลให้หนาคราชนั้นเห็นพระองค์แล้วสเสด็จมุ่งพระพักไปทางเทวโลกชั้นดาวดึง พร้อมกับภิกษุห้าร้อยรูปโดยผ่านที่สุดเพดานของนันโทปนันทะนาคราชนั่นแหละก็โดยสมัยนั่นแหละนันโทปนันทะนาคราชเกิดความคิดเห็นชั่วช้าลามกถึงขนาดนี้ว่าสมณะหัวล้นเหล่านี้เข้าๆออกๆออผ่านพบดาวดึงของเทวดาอยู่ได้ดูจะใช้อำนาจเหนือเราขึ้นทุกทีขอประกาศว่าตั้งแต่บัดนี้ไป เราจะไม่ยอมให้พวกสมณะเหล่านี้ผ่านไปโปรยฝุ่นติดเท้าใส่หัวเราเป็นเด็ดขาดจึงลุกขึ้นไปยังเชิงภูเขาสินเนรุและอัตภาพนั้นเอาขนดโอบพันรอบภูเขาสินเนรุเป็นเจ็ดชั้นแผ่พังพ่านหน่าเบื้องบนปกคลุมถึงพบดาวดึงด้วยพังผ่านอันงุ้มลงให้มืดมองไม่เห็นครั้งนั้นแหลท่านพระรัฐบาล กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพระองค์ยืนอยู่ตรงนี้มองไปเห็นภูเขาซิเนรุเห็นภูเขาที่ล้อมรอบภูเขาซินเนรุเห็นพบดาวดึงเห็นเวชยันปราศาสตรเห็นธงบนยอดเวชยันปราศาสตร์ได้ชัดเจนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยบัดนี้ข้าพระองค์จึงไม่เห็นภูเขาซิเนรุเป็นต้นเหล่านั้น พระผู้มีพระภาคตรัสชี้แจงว่ารัฐบาลนักขราชชื่อนันโทปนันทะนี้มีความขุ่นเคืองแค้นต่อพวกเธอจึงเอาขนดโอบพันรอบภูเขาซิเนรุถึงเจ็ดชั้นเอาพังพานปกปิดกั้นไว้เบื้องบนจึงทำให้มืดอยู่อย่างนี้พระรัฐบาลนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะทรมานนัขาชนั่นเอง พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตต่อมาภิกษุแม้ทั้งหมดก็ได้พากันลุกขึ้นกราบทูลตามลำดับมีท่านพระพัฒทยะท่านพระราหุลเป็นต้นพระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงอนุญาตในที่สุดพระมหามกขลานะเทระจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะทรมานนาคราชนั่นเองพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่า เธอจงทรมานเธอมกขลานะพระเทระจึงละอัตภาพแปลงเพศเป็นนาคราชรูปร่างใหญ่โตเอาขนดโอบพันทับขนดของนันโทปนันทะนาคราชถึงสิบสี่ชั้นวางพังพานของตนทับเหนือพังพานของนาคราชนั้นแล้วบีบรัดเข้ากับภูเขาสินเนรุนาคราชบังหวนควันแล้วแม้พระเทระกล่าวว่า มิใช่ว่าการบังหวนควันจะมีแต่ในสรีระของท่านเท่านั้นควันในสรีระของเราก็มีเหมือนกันดังนี้จึงบังหวนควันต่อไปบ้างควันของนาคราชไม่ได้เป็นอันตรายแก่พระเทระเลยแต่ควันของพระเทระเป็นอันตรายต่อนาคราชแต่นั้นนาคราชจึงโผล่เป็นไฟขึ้นแม้พระเทระก็กล่าวว่า ไฟไม่ใช่จะมีในสริระของท่านอย่างเดียวเท่านั้นไฟในสริระของเราก็มีดังนี้จึงโผล่เป็นไฟขึ้นแล้วไฟของนาคราชไม่ทำอันตรายแก่พระเทระได้แต่ไฟของพระเทระทำอันตรายแกน่นาคราชได้นาคราชจึงคิดว่านาคราชนี้บีบเรากับภูเขาสินเนรุแล้วบังหวนควันและโผงเป็นไฟขึ้นก็ได้ จึงสักถามว่าแน่พ่อพ่อเป็นใครกันพระมหาโมคลานะจึงตอบว่านันทะเราคือโมคลานะท่านเอ๋ยขอท่านจงตั้งอยู่โดยความเป็นภิกษุของตนเถิดพระเถระละอัตภาพนั้นแล้วเข้าไปโดยช่องหูขวาของนาคราชนั้นแล้วออกโดยช่องหูซ้ายเข้าไปโดยช่องหูซ้าย ออกโดยช่องหูขวาเข้าไปโดยช่องจมูกขวาแล้วออกโดยช่องจมูกซ้ายเหมือนเช่นนั้นเข้าโดยช่องจมูกซ้ายออกโดยช่องจมูกขวาขณะนั้นนาคราชจึงอ้าปากพระเถระเข้าไปทางปากแล้วเดินจงกรมอยู่ภายในท้องโดยทิศปราจีนและทิศปัดฉิมพระผู้มีพระภาคจึงทรงเตือนว่าโมคลานะ จงใส่ใจระวังนะว่านาคราชตัวนี้มีฤทธิ์มากพระเทระจึงทูลว่าพระเจ้าข่าอิธิบาททั้งสี่ข้าพระองค์อบรมแล้วทําให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานได้แล้วทําให้มั่นคงแล้วตามตั้งไว้แล้วบ่มสุขแล้วปรารบดีแล้วพระเจ้าข่าเพียงแต่นันโทปนันทะนาคราชเท่านั้นสบายพระทัยได้นาคราเช่นนันโทปนันทะ ตั้งพันตั้งแสนข้าพระองค์ก็ยังทรมานได้เลยฝ่ายหน้าคาราชก็คิดว่าสมณะรูปนี้เวลาเข้าไปเราไม่ทันได้เห็นก่อนเอาเถิดในเวลาออกมาเราจะงับสมณะนั้นเคี้ยวเสียให้ยับในระหว่างฟันในบัดนี้คิดดังนี้แล้วจึงแซงพูดว่าท่านเจ้าข้านิมนต์ออกมาเถิด อย่าเที่ยวเดินไปไปมามาอยู่ในท้องจนทําให้ข้าพเจ้าลำบากเลยพระเทระได้ออกมายืนข้างนอกแล้วนาคราชเห็นแล้วจูกคิดว่าพระสมณะรูปนี้คือท่านองค์นั้นจึงพ่นลมออกทางจมูกพระเทระเข้าจตุทัตชานแล้วแม้แต่ขุมขนของพระเทระนั้นลมก็ไม่สามารถจะให้หวันไหวได้ในยะว่า พวกภิกษุที่เหลือก็อาจทำปาฏิหาริย์ทุกอย่างได้ตั้งแต่ต้นแต่เมื่อถึงที่นี้จะไม่อาจเป็นผู้เข้าฉับพลันอย่างนี้ได้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุเหล่านั้นทรมา น, านนาคราชนาคราชจึงคิดว่าเราไม่สามารถจะทำให้ขุมขนของพระสมณานี้หวั่นไหวด้ยวยลมจมูกได้เลยพระสมณ น, นี้มีฤทธิ์มาก พระเถระจึงละอัตภาพนิรมิตเป็นรูปครุดแสดงการกระพือปีกอย่างครุดไล่ติดตามนาคราชไปนาคราชจึงละอัตภาพนั้นนิรมิตเป็นเพศมานพน้อยกล่าวอยู่ว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าขอถึงท่านว่าเป็นสารณะไหว้เท้าพระเถระแล้วพระเถระจึงกล่าวว่านันทะพระศาสดาเสด็จมาแล้ว ท่านจงมาเราจะพาไปดังนี้ร้นโทรมานนาคราชให้สิ้นพยศได้แล้วจึงได้ไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคนาขราชถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดนาคราช ดังนี้มีภิกษุส่งแวดล้อมแล้วได้เสด็จไปสู่นิเวศของท่านอนาถบินทิกะท่านอนาถบินทิกะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชไนวันนี้พระองค์จึงเสด็จมาถึงสายนักพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคลานะกับนันโทปนันทะได้ทําสงครามกันขึ้นท่านอนาถบินทิกะทูลถามว่า ใครชนะใครแพ้พระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสว่าโมคลานะชนะนันโทปนันทะแพ้ท่านอนาถบินทิกะจึงทูลว่าพระเจ้าค่ะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับพัตตาหารของข้าพระองค์โดยติดต่อกันเจ็ดวันข้าพระองค์จะทําสักการะแก่พระเทระให้ตลอดเจ็ดวันดังนี้ แล้วได้ทำสักการะเป็นอันมากแด่ภิกษุประมาณห้าร้อยรูปอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอดเจ็ดวันคำว่าเมื่อใดทำอัตภาพให้ใหญ่เมื่อนั้นก็เป็นอัตภาพอันใหญ่เช่นอัตภาพของพระมหาโมคลานะเทระดังนี้ท่านกล่าวหมายถึงอัตภาพใหญ่ซึ่งพระมหาโมคลานะทำแล้ว ในเวลาที่ท่านทรมานนันโทปนันทะนาคาราชนี้ดังบรรยายมานี้แม้เมื่อท่านจะกล่าวอย่างนั้นพวกภิกษุก็ยังกล่าวว่าสังขารที่ไม่มีใจครองนั่นแหละย่อมเจริญขึ้นเพราะอาศัยสังขารที่มีใจครองในเรื่องนี้เป็นอัญญุติเพียงเท่านี้ อธิบายผู้มีฤทธิ์แสดงฤทธิ์ท่านผู้มีฤทธิ์นั้นทำอย่างนี้แล้วมิใช่จะลูกคลำพระจันทร์และพระอาทิตย์เท่านั้นถ้าปรารถนาจะทำเป็นกระเบื้องเช็ดเท้าวางไว้แทบเท้าก็ได้ทำเป็นต่างนั่งก็ได้ทำเป็นเตียงนอนก็ได้ทำเป็นพนักอิงพิงก็ได้ท่านผู้มีฤทธิ์ผู้หนึ่งทำได้ฉันใดแม้ผู้มีฤทธิ์อื่นอีก ก็ทำได้ฉันนั้นจริงอยู่เมื่อภิกษุหลายแสนรูปพากันทำอยู่อย่างนี้ปาฏิหาริย์ย่อมสำเร็จแก่ภิกษุเหล่านั้นและแต่ละรูปก็จะเหมือนกันทีเดียวอันหนึ่งถึงพระจันรและพระอาทิตย์ก็คงโคจรส่องแสงอยู่อย่างเดิมเปรียบเหมือนเนตุ่มพันลูกที่เต็มด้วยน้ำดวงจันทร์ย่อมปรากฏในตุ่มทุกๆตุ่ม และพระจันทร์ก็ยังโคจรและส่องแสงสว่างอยู่เหมือนเดิมฉันใดปาฏิหารนี้ก็มีอุปมาเหมือนกันอย่างนั้นข้อว่าจะรดพรหมโลกคือทำพรหมโลกให้เป็นเขตกำหนดคำว่ายังอำนาจให้เป็นไปทางกาย คือทำอำนาจให้เป็นไปทางกายของตนในพรหมโลกความหมายแห่งข้อนั้นนักศึกษาพึงทราบโดยคล้องตามพระบาลีนั้นเถิดก็พระบาลีในอธิการนี้มีดังต่อไปนี้คำว่าอย่างอำนาจให้เป็นไปในทางกายตลอดถึงพรหมโลกมีอธิบายว่าถ้าภิกษุ ผู้มีฤทธิ์นั้นมีความชำนาญทางใจต้องการจะไปสู่พรหมโลกย่อมอธิษฐานถึงไกลแสนไกลให้ใกล้ก็ได้ว่าสันติเกโหตุจงมีในที่ใกล้ดังนี้ที่ไกลย่อมกลายเป็นที่ใกล้ได้ดังหมายย่อมอธิษฐานแม้ที่ใกล้ให้ไกลก็ได้ว่าทูเรโหตุจงมีในที่ไกลดังนี้ ที่ใกล้ก็ย่อมกลายเป็นที่ไกลได้ดังหมายแม้ของมากมายก็อธิษฐานให้เป็นของน้อยได้ว่าโถกังหัวตุจงเป็นของน้อยดังนี้ของมากมายก็ย่อมกลายเป็นของน้อยได้ดังหมายแม้ของน้อยก็อธิษฐานให้เป็นของมากมายได้ว่าผะหุกังหัวตุ จงเป็นของมากดังนี้ของน้อยก็ย่อมกลายเป็นของมากได้ดังหมายจะใช้จักรสุดุดทิพแลดูรูปของพรหมนั้นก็ได้จะใช้โซตธาตุปานทิพฟังเสียงของพรหมนั้นก็ได้จะใช้เจโตปริยญาณกําหนดรู้จักใจของพรหมนั้นก็ได้ถ้าหากภิกษุผู้มีฤทธินั้น มีความชำนาญทางใจต้องการจะไปยังพรหมโลกด้วยทั้งร่างกายที่ปรากฏชัดชัย่อมน้อมจิตด้วยอำนาจแห่งกายอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งกายครั้นน้อมจิตด้วยอำนาจแห่งกายอธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งกายแล้วยังลงสู่สุขสัญญาและลาหุสัญญาเธอย่อมมีกายปรากฏชัดๆไปสู่พรหมโลกได้ดังหมาย ถ้าภิกษุผู้มีฤทธินั้นมีความจานาญทางใจต้องการจะไปสู่พรหมโลกด้วยทั้งกายที่ไม่ได้ปรากฏจึงน้อมกายด้วยอำนาจแห่งจิตอธิษฐานกายด้วยอำนาจแห่งจิตรั้นน้อมกายด้วยอำนาจแห่งจิตอธิษฐานกายด้วยอำนาจแห่งจิตแล้วยังลงสู่สุขสัญญาและละหุสัญญาย่อมไปสู่พรหมโลกด้วยทั้งกายที่ไม่ได้ปรากฏ ภิกษุผู้มีฤทธินั้นย่อมนิรรมิตรูปที่สำเร็จด้วยใจอันมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบทุกอย่างมีอินทรีย์ไม่บกพร่องข้างหน้าพรมนั้นหากภิกษุผู้มีฤทธินั้นเดินไปถึงแม้ภิกษุที่นิรรมิตรแล้วก็เดินในที่นั้นถ้าหากภิกษุผู้มีฤทธินั้นยืนนั่งนอนภิกษุนิรมิตรก็สำเร็จการยืนนั่งนอนในที่นั้น ถ้าภิกษุผู้มีฤทธินั้นบางหวนขวันโผลงเป็นไฟกล่าวธรรมะถามปัญหาถูกถามปัญหาแม้ภิกษุเิรมิตรถูกถามปัญหาเป็นต้นนั้นย่อมแก้ณที่นั้นได้ภิกษุผู้มีฤทธิ์ยืนร่วมเจรจาซักถามกับพรหมนั้นแม้ภิกษุนิรมิตรก็ยืนร่วมเจรจาซักถามกับพรหมณที่นั้น รวมความว่าภิกษุผู้มีฤทธิ์นั้นทากิจใดๆภิกษุเนรมิตรนั้นก็ทากิจนั้นๆด้วยฉชนนี้ในพระบาลีนั้นคำว่าอธิษฐานแม้ที่ไกลให้ใกล้ก็ได้คือออกจากฌานที่เป็นบาทแล้วนึกถึงเทวโลกหรือพรหมโลกในที่ไกลว่าสันติเกโหตุ ขอจงเป็นที่ใกล้ดังนี้แล้วจึงทําบริกรรมเข้าฌานอีกและอธิษฐานด้วยญยาณว่าขอจงเป็นที่ใกล้ที่ไกลก็ย่อมกลายเป็นที่ใกล้ได้ดังหมายแม้ในบทที่เหลือก็มีความหมายอย่างนี้เหมือนกันถามว่าในปาฏิหารินั้นใครได้ย่อที่ไกลทำให้เป็นที่ใกล้ได้ ตอบว่าพระผู้มีพระภาคจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเสด็จไปสู่เทวโลกในการที่เสด็จยมกะปฏิหารทรงทำภูเขายุคนธรและภูเขาสิเนรุให้ใกล้ทรงยกพระบาทข้างหนึ่งจากพื้นปฐพีทรงเหยียบที่ภูเขายุคนธรทรงปรุงพระบาทที่สองลงบนยอดภูเขาสิเนรุ ถามว่าคนอื่นใครเล่าที่ได้เคยทำแล้วตอบว่าพระมหาโมคคลานะเทระจริงอยู่พระเทระย่นทางไปสู่เมืองสังกัสะประมาณสามสิบโยยังบริษัทสิบสองโยผู้ทำพัฒกิจจากกรุงสาวัตถีให้ถึงในทันใดนั้นนั่นเองยังมีอีกเรื่องหนึ่ง ท่านพระจุลสมุทรเทระได้ทำในเกาะลังกาเล่ากันมาว่าในสมัยอดอยากพระภิกษุเจ็ดร้อยรูปได้ไปสู่สำนักของพระเทระแต่เช้าตรูพระเทระคิดว่าพระภิกษุสงมีมากจะมีบ้านที่พิขาจารที่ไหนดังนี้ไม่มองเห็นในทวีปลังกาทั้งหมดแต่มองเห็นว่าจะมีในเมืองปาตาลีบุตรฝากโนน จึงให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาบาทและจีวรแล้วพูดว่ามาเถอะอาวุโสเราจากไปสู่ที่พิก ข, ขาจารย์ยนแผ่นดินไปสู่กรุงปาตลีบุตรแล้วพระภิกษุทั้งหลายถามว่าเมืองนี้คือเมืองไหนขอรับตอบว่าเมืองปาตลีบุตรอาวุโสถามว่าท่านขอรับเมืองปาตลีบุตรอยู่ในที่ไกลตอบว่าอาวุโส พระเถระผู้เท่ายนแม้ที่ไกลทําให้ใกล้ก็ได้ถามว่ามหาสมุทรอยู่ที่ไหนขอรับตอบว่าอาวุโสท่านข้ามเหมือนเขียวแห่งหนึ่งมาในระหว่างทางไม่ใช่รึพระภิกษุทั้งหลายพูดว่าจริงหล่าขอรับแต่มหาสมุทรเป็นของใหญ่พระเถระพูดว่าอาวุโส พระเทระพูดเท่าทั้งหลายทำแม้ของใหญ่ให้เป็นของเล็กก็ได้ก็พระเทระนี้เป็นชันใดแม้พระติดสะทัตะเทระก็เป็นชันนั้นท่านส่งน้ำในเวลาเย็นพรมผ้าอุตราสงแล้วเกิดคิดขึ้นว่าจากว่ายต้นพระมหาโพธิ์ได้ทำให้เป็นที่ใกล้แล้วถามว่าก็ใครเล่า ถือเอาที่ใกล้ทำให้เป็นที่ไกลได้ตอบว่าพระผู้มีพระภาคจริงอยู่พระผู้มีพระภาคได้ทรงทาที่ระหว่างพระองค์กับพระองค์คุลิมานแม้ใกล้ก็ทรงทาให้ไกลได้ถามว่าใครหรือได้ทำของมากให้เป็นของน้อยตอบว่า พระมาหากัสสปะเทระในยะว่าในวันเล่นนักสัตต์เริกในกรุงราชฤกษพวกเด็กผู้หญิงห้าร้อยคนพากันทำขนมมีลักษณะคล้ายดวงจันทร์แล้วไปเล่นนักสัตวิกพบพระผู้มีพระภาคแล้วมิได้ถวายอะไรอะไรเลยแต่ครั้นพบพระเทระซึ่งมาข้างหลังจึงชวนกันว่าพระเทระของพวกเรากำลังมาพวกเราจะถวายขนมทั้งหมด จึงถือเอาขนมเข้าไปหาพระเถระแล้วพระเถระเอาบาทออกแล้วได้ทำขนมทั้งหมดให้พอเต็มบาทใบเดียวพระผู้มีพระภาคประทับนั่งรอพระเถระอยู่ข้างหน้าพระเถระได้นามาถวายแด่พระผู้มีพระภาคแล้วก็ในเรื่องอิลลลิสะเศรษฐีพระมหาโมคลานะเถระได้ทำของน้อยให้กลายเป็นของมาก และในเรื่องกากวาลิยะพระผู้มีพระภาคได้ทรงทำของน้อยให้เป็นของมากเล่ากันมาว่าพระมหากัสสปะเทระเข้าพักอยู่ด้วยสมาบัติตลอดเจ็ดวันเมื่อจะทำการสงเคราะห์แก่คนเข็นใจได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือนของมนุษย์เข็นใจชื่อว่ากากวาลิยะภ ร, ริยาของนายกากวาลิยะนั้นเห็นพระเทระ แล้วได้เกลี่ยข้าวยาคูซึ่งไม่เค็มไม่เปรี้ยวอันตนต้มเพื่อสามีลงในบาตรพระเถระรับข้าวยาคูนั้นแล้วได้วางไว้บนพระหัตถ์ของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงอธิษฐานทำให้เพียงพอแก่พระภิกษุหมู่ใหญ่ข้าวยาคูที่นำมาด้วยบาตรใบเดียวก็เพียงพอแก่พระภิกษุทุกรูป ฝ่ายนายกากรวลิยะก็ได้ตำแหน่งเศรษฐีในวันที่เจ็ดนั่นแหละและมีใช่แต่จะทำของน้อยให้เป็นของมากได้เท่านั้นแม้สิ่งที่ตนมุ่งหมายในบรรดาสิ่งของเป็นต้นว่าของอร่อยทำให้ไม่อร่อยหรือของไม่อร่อยทำให้อร่อยทั้งหมดย่อมสำเร็จแก่ท่านผู้มีฤทธิ์ความจริงก็เป็นเช่นนั้นพระเถระ ชื่อมหาอนุละเห็นพระภิกษุมากด้วยกันไปเที่ยวบินทบาทได้แต่พัดคืออาหารที่เร็วๆนั่งฉันอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำจึงอธิษฐานว่าน้ำในแม่น้ำจงเป็นเนยใสแล้วได้ให้สัญญาแก่พวกสามเณรสามเณนเหล่านั้นได้เอาขันไปตักน้ำมาถวายแก่หมูพระภิกษุภิกษุทุกรูปพากันชันอาหารกับเนยใสอย่างอรอร่อย คำว่าด้วยตาทิพย์คือภิกษุผู้มีฤตยือนอยู่ณที่นี้เองทำแสงสว่างให้ขยายออกแล้วมองเห็นรูปของพรมนั้นและยือนอยู่ณที่นี้เองเมื่อพรมนั้นกล่าวก็ได้ยินเสียงและรู้ว่ารา จ, จิตของเขาได้คำว่าน้อมจิตไปด้วยอำนาจทางกาย คือน้อมจิตไปด้วยอานาจแห่งกระชกายคือยึดจิตซึ่งมีฌานเป็นบาทวางลงในกายคือทําให้คล้อยตามร่างกายให้ไปชา้าเพราะว่าการไปด้วยกายเป็นของช้ากว่าใจคำว่าอย่างลงสู่สุขสัญญาและละหุสัญญาคืออย่างลงเข้าไปถูกต้องถึงพร้อม ด้วยสุขสัญญาและละหุสัญญาอันเกิดพร้อมกับจิต ท, ที่มีริษ์ซึ่งมีฌานเป็นบาทเป็นอารมณ์ที่ชื่อว่าสุขสัญญาได้แก่สัญญาอันสัมปยุตด้วยอุเบกขาจริงอยู่อุเบกขาท่านกล่าวว่าเป็นสุขอันสงบก็สัญญานั้นนั่นแหละพึงทราบชื่อว่าละหุสัญญาก็ได้ ระพลจากนิวรณ์และข้าศึกมีวิตกเป็นต้นก็เมื่อภิกษุผู้มีฤทธนั้นยังลงสู่สัญญานั้นแม้กระชกกายก็เบาปานปุยนุ่นเธอย่อมไปได้ถึงพรหมโลกพร้อมทั้งร่างกายที่เบาและมองเห็นกันอยู่นี่แหละดุดปุยนุ่นซึ่งถูกลมพัดลอยขึ้นไปได้แล้วฉะนั้นก็เมื่อไปอย่างนี้ถ้าต้องการ ก็จะนิร imit หนทางในอากาศด้วยอำนาจปฐวีกสินไปได้ด้วยเท้าหรือถ้าต้องการจะอธิษฐานเป็นลมด้วยอำนาจวาโยโอกสินไปตามลมดุดปุยนุ่นก็ได้อีกอย่างหนึ่งความเป็นผู้ต้องการจะไปนั่นแหละเป็นสำคัญในปาฏิหารินีและเมื่อมีความพอใจจะไปอยู่เธอทำการอธิษฐานจิตอย่างนี้แล้ว อันกำลังแห่งการอธิษฐานส่งขึ้นไปแล้วย่อมลอยไปอย่างเห็นเห็นอยู่ดุดลูกศรที่นายขมังธนูยิงขึ้นไปฉะนั้นคำว่าน้อมกายไปด้วยอำนาจของใจคือยืดเอากายไปวางไว้ที่จิตทำกายให้เบาเหมือนจิตคือเอาเยี่ยงอย่างใจได้แกไปได้เร็วเหมือนใจจริงอยู่ การไปของใจเป็นอาการที่รวดเร็วคำว่าอย่างลงสู่สุขสัญญาและละหุสัญญาคืออย่างลงสู่สุขสัญญาและละหุสัญญาอันเกิดพร้อมกับจิตซึ่งมีริดมีรูปกายเป็นอารมณ์คำที่เหลือพึงทราบตามความดังที่กล่าวไว้แล้วนั่นแหละ ก็ปฏิหารที่น้อมกายไปด้วยอำนาจแห่งใจนี้ก็คือไปได้อย่างใจนั่นเองเมื่อเกิดปัญหาขึ้นว่าก็พระโยคีนี้เมื่อไปด้วยกายอันไม่ปรากฏอยู่อย่างนี้ย่อมไปในขณะที่อธิษฐานจิตนั้นเกิดขึ้นหรือว่าในขณะที่อธิษฐานจิตแล้วดำรงอยู่หรือว่าในขณะที่อธิษฐานจิตดับแห่งอธิษฐานจิตนั้นดังนี้แล้วพระเทระจึงกล่าวว่า ไปได้ทั้งสามขณะถามว่าก็ผู้มีฤทธิ์นั้นไปเองหรือว่าส่งรูปที่นิรมิตไปตอบว่าเรื่องนี้ทำการส่งไปได้ตามสบายใจแต่ในที่นี้ท่านชักตัวอย่างมาเฉพาะการไปด้วยตัวเองของท่านผู้มีฤทธิ์เท่านั้นคำว่าสาเร็จด้วยใจคือแล้วแต่ใจจะนิรมิต เพราะรูปนั้นนิรมิตขึ้นได้ด้วยจิตอธิษฐานนิรมิตคำว่ามีอินทรีย์ไม่บกพร่องนี้ท่านกล่าวไว้ด้วยอำนาจที่ตั้งอยู่ของตาหูเป็นต้นแปลกอยู่ว่าประษาทรูปสี่มีจกักขู่ภาษาทรูปเป็นต้นไม่มีในรูปที่ภิกษุนิรมิตแล้วนั้นคำว่า ถ้าภิกษุผู้มีฤทธิ์กำลังเดินอยู่แม้รูปที่นิรมิตนั้นก็เดินไปในที่นั้นด้วยเป็นต้นทั้งหมดนี้ท่านกล่าวหมายถึงการนิรมิตรูปของพวกพระสาวกส่วนรูปที่พระพุทธเจ้าทรงนิมิตขึ้นย่อมทำดังที่พระผู้มีพระภาคทรงกระทําได้หรือทากิจอย่างอื่นตามความพอพระทัยของพระผู้มีพระภาคก็ได้ ก็ในอธิการนี้ภิกษุผู้มีฤทธนั้นอยู่ณที่นี้เองมองเห็นรูปได้ด้วยตาทิพฟังเสียงได้ด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพกําหนดใจด้วยเจโตปริยญาณแม้ใดด้วยฤทธเพียงเท่านี้อย่างไม่ชื่อว่าทำอำนาจให้เป็นไปทางกายแม้ภิกษุผู้มีฤทธนั้นอยู่ณที่นี้เองยืนร่วมเจรจาสนทนากับพรหมนั้นแม้ใด แม้ด้วยฤทธิ์เพียงเท่านี้ยังไม่ชื่อว่าทาอำนาจให้เป็นไปทางกายแม้การอธิษฐานของภิกษุผู้มีฤทธินั้นเป็นต้นว่าอธิษฐานแม้ที่ไกลๆให้เป็นที่ใกล้แม้ใดแม้ด้วยฤทธิ์เพียงเท่านี้ก็ยังไม่ชื่อว่าทาอำนาจให้เป็นไปทางกายเลยแม้ภิกษุผู้มีฤทธินั้นไปสู่พรหมโลกด้วยทั้งกายที่ยังปรากฏ หรือไม่ปรากฏก็ได้แม้ใดแม้ด้วยฤทธิ์เท่านี้ก็ยังไม่ชื่อว่าทําอํานาจให้เป็นไปทางกายก็แลภิกษุผู้มีฤทธินั้นปฏิบัติตามวิธีที่ท่านกล่าวไว้ด้วยใจความเป็นต้นว่าภิกษุผู้มีฤทธินั้นนิรมิตรูปข้างหน้าพรหมนั้นก็ได้อันใดด้วยฤทธิ์มีประมาณเท่านี้จึงจะชื่อว่า ทำอำนาจให้เป็นไปทางกายได้ส่วนคำที่เหลือในบทนี้ท่านกล่าวไว้ก็เพื่อแสดงถึงบุรภาพภาคแห่งฤทธิ์ซึ่งเป็นเหตุทำอำนาจให้เป็นไปทางกายได้จบอธิษฐานฤทธิ์เพียงเท่านี้ก่อนวิกุปพนาและมนโนมยาริศ ส่วนวิกุปพนาฤตและมนโนมยาฤตมีข้อแตกต่างกันดังต่อไปนี้อันดับแรกประโยคีผู้เมื่อจะทำวิกุปพนาฤตพึงอธิษฐานแปลงเพศให้เป็นไปตามที่ตนมุ่งปรารถนาได้ทุกๆุกเพศเช่นแปลงเพศเป็นเด็กน้อยเป็นต้นซึ่งท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าภิกษุผู้มีฤตนั้นละเพศเดิมของตนแล้วแสดงเพศแปลงเป็นเด็กน้อย หรือแสดงเพศแปลงเป็นนาคแสดงเพศแปลงเป็นครุฑแสดงเพศแปลงเป็นอสูรแสดงเพศแปลงเป็นพระอินทร์แสดงเพศแปลงเป็นเทวดาแสดงเพศแปลงเป็นพระพรหมแสดงเพศแปลงเป็นทะเลแสดงเพศแปลงเป็นภูเขาแสดงเพศแปลงเป็นราชสีห์แสดงเพศแปลงเป็นเสือโครงแสดงเพศแปลงเป็นเสือเหลือง แสดงเพศแปลงเป็นทับช้างทับมา้าทับรถและเป็นทับเดินเท้าก็ได้หรือแสดงเพศแปลงเป็นกองทับแม้ตั้งหลายหลายขบวนก็ได้ก็เมื่อจะอธิษฐานพึงออกจากฌานมีอภิญญาเป็นบาทมีปัทวีกสินเป็นต้นอ ย, ย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์พึงนึกถึงเด็กน้อยของตนเท่านั้นครั้นนึกแล้วในที่สุดบริกรรม ต้องเข้าสมาบัดใหม่ออกแล้วจึงอธิษฐานว่าเอวะรูปนามะกุมารโกโหมิขอให้เราจงเป็นเด็กน้อยเห็นป่านนี้เถิดพร้อมกับจิตที่อธิษฐานเธอก็จะเป็นเด็กน้อยทันทีตัวอย่างเช่นพระเทวทัตแม้ในเพศทั้งปวงมีการแสดงเพศแปลงเป็นนาคเป็นต้นก็มีวิธีการอย่างนี้แหละ แต่คําว่าแสดงเพศแปลงเป็นทับช้างเป็นต้นในบทมาติกานั้นท่านกล่าวแล้วด้วยอำนาจการแสดงเพศแปลงเป็นช้างเป็นต้นแม้ภายนอกในกรณีอย่างนี้อย่าพึงอธิษฐานว่าหัตถีโหมิขอให้เราจงเป็นช้างเถิดแต่ต้องอธิษฐานว่าหัตถีโหตุขอจงเป็นช้างเถิดแม้ในทับมาเป็นต้น ก็มีความหมายอย่างนี้เหมือนกันทำอย่างนี้ชื่อว่าวิกุพนาฤิธ์คือฤทธิ์ที่แสดงทําให้เป็นได้หลา ย, ลายอย่างมโนโมายาฤทธ์ก็พระโยคีผู้ต้องการจะเจริญมโนมายาฤทธ์พึ่งออกจากฌานที่เป็นบาทแล้วนึกถึงกายก่อนแล้วอธิษฐานตามวิธีการที่กล่าวแล้วว่า สุชิโรหัวตุขอจงเป็นโพลงดังนี้ร่างกายก็ยอมเป็นโพรงขึ้นได้ดังใจหมายต่อจากนั้นจึงค่อยนึกถึงกายอื่นไว้ภายในของกายนั้นทำการบริกรรมแล้วจึงอธิฐานตามในยะดังที่กล่าวไว้แล้วนั่นแหละว่ากายอื่นจงมีในภายในกายนั้นพระโยคีนั้นย่อมชักกายนั้นออกกลับมาได้ คลายชักไส้ยัปล่องออกจากยาบล่องและดุดชักดาบออกจากฝักและมีครรุวนาดุดดังงูออกจากขวดฉะนั้นเพราะเหตุ น, นั้นพระสารีบุตรจึงกล่าวไว้ว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ยอมนิรมิตกายให้เป็นอย่างอื่นจากร่างกายนี้ให้มีรูปร่างสำเร็จแล้วตามใจปรารถนามีองค์อวัยวะครบถ้วนทุกอย่าง มีอินทรีย์ไม่บกร่องเช่นเดียวกับบุรุษชักไส้ยาปล่องออกบุรุษนั้นแหลก็จะพึงมีความรู้อย่างนี้ว่าส่วนนี้เป็นยาปล่องส่วนนี้เป็นไส้ยาปล่องยาปลองเป็นส่วนหนึ่งไส้ยาปล่องก็เป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากแต่ว่าไส้ยาปล่องเราชักออกจากยาปล่องดังนี้เป็นต้นก็ในข้ออุปมาเหล่านี้ท่านกล่าวไว้ในที่นี้ เพื่อแสดงว่าใส่ยาปล้องเป็นต้นเป็นของคล้ายกับยาปล้องเป็นต้นชั้นใดรูปที่สำเร็จด้วยใจก็เป็นของคล้ายกันกันกบภิกษุผู้มีฤทธิ์ชั้นนั้นนี้ชื่อว่ามโนโมยาวฤทธิ์ฤทธิ์ที่สาเร็จด้วยใจปาริเชตที่สิบสองชื่อว่าอิทธิวิทะนิเทศในปากก์วิเศษชื่อวิสุทธิมัก ท น, นข้าพเจ้ารจนาขึ้นไว้เพื่อความปราโมทแห่งสาธุชนดังนี้จบปริเชตที่ส2องคัมภี์วิสุทธิมรักพระพุทธโคสเถระรจนาหมายเหตุผู้อา่านสำหรับท่านที่ไม่เชื่อว่าฤทธิ์เหล่านี้จะสามารถทำได้จริงนะครับความจริงเรื่องนี้เข้าใจในทางวิทยาศาสตร์ได้ไม่ยากเพียงแต่ว่าวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยังไปไม่ถึงนะครับ ในทุกสรร พ, พสิ่งจะมีส่วนที่เล็กที่สุดที่เรียกว่าอะตอมหรือปัจจุบันอาจจะค้นพบได้เล็กกว่านั้นแต่โดยภาพรวมแล้วในอะตอมนั้นจะมีโปรโตอนนิวตอนอิเล็กตรอนเป็นส่วนประกอบหลักธาตุบางอย่างต่างกันแค่จำนวนอิเล็กตรอนในอากาศทั่วไปก็มีอะตอมมีอิเล็กตรอนอยู่นะครับการที่จะแลกเปลี่ยนเพิ่มหรือลดสิ่งเหล่านี้ในอะตอมแล้วทาให้ธาตุหนึ่งกลายเป็นอีกธาตุหนึ่ง จึงมีโอกาสที่เป็นไปได้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นถึงจะรู้ได้แต่การจะปฏิบัติให้ได้นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากจะว่าหนึ่งในล้านในร้อยล้านเลยก็ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราไม่เห็นสิ่งที่เราไม่เจออย่าเพิ่งคิดว่าไม่มีเพราะถ้าเรื่องพวกนี้ไม่มีจริงการสืบทอดคำภีมายาวนานหลายพันปีด้วยพุทธวจนะเองด้วยการอธิบายของพระอัครส า, าวก และสังขยาณาพระตายปิฎกสืบทอดมาจนให้พวกเราได้ศึกษาขณะนี้นะครับถ้าได้ศึกษาพระตายปิฎกกันจริงและได้ปฏิบัติสักระดับหนึ่งก็จะเข้าใจได้ว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้มีเหตุมีผลและไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาหลอกให้คนทำดีด้วยการอ้างฤทธ์อ้างภพภูมิอ้างเรื่องเทวดาให้คนทาดีเพื่หวังสวรรค์ น, นะครับส่วนตัวผู้อ่านเอง ได้พบเจอคนที่ศึกษาพระไตรปิฎกเรียนนักธรรมบาลีแม้ปฏิบัติสมาธิก็ปรากฏว่าหลายท่านเลยนะครับที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้และเข้าใจเรื่องพวกนี้ผิดด้วยการศึกษาที่สร้างกำแพงในจิตของตนไว้ก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าเชื่อปักใจจริงๆว่าภพภูมิไม่มีเทวดาผีเปรตไม่มีการแสดงฤทธิ์ไม่มีซึ่งข้อนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้า ตรัสไว้ว่าทำให้บรรลุธรรมไม่ได้เมื่อเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เช่นนั้นต่อให้ท่องพระไตรปิฎกได้ครบทุกตัวอักษรจำได้ทั้งหมดก็ไม่มีทางเข้าใจพระธรรมแท้ได้เลยนะครับจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ